มันใครอยากจะถามอะไรไหมว่ามายมเ่ยนิานะมาจากวัดปาเลัยสิงคโปร์ค่ ะ, อะขอฝากโดเป็นลูกสิษย์าอาจารย์ด้วยค่ะเคยโยมมีคำถามค่ะว่าในการปฏิบัติเมื่อเราถึงขั้นสมาถภาวนาแล้วเนี่ยเราจะทราบได้อย่างไรว่าคนจะไปถึงวิปัสนาภาวนาค่ะ คือสมถะภาวนานี้เป็นการทำใจให้สงบเวลาที่ใจสงบเวลาเรานั่งสมาธิแล้วใจสงบนิ่งเราก็ปล่อยให้มันนิ่งไปเรื่อยๆอย่าไปคิดอย่าไปพิจารณาอย่าไปวิปัสสนาเวลานั่งสมาธินี้ต้องการให้ใจสงบนานๆเพราะความสงบเป็นการ ให้อาหารใจให้กำลังใจเหมือนร่างกายต้องการพักผ่อนหลับนอนเวลาร่างกายนอนหบับเราอย่าไปปลุกขอให้ร่างกายนอนให้พอพอร่างกายนอนพอแล้วตื่นขึ้นมาแล้วก็ไปทำงานใจเวลาอยู่ในสมาธิก็เป็นเหมือนร่างกายเวลานอนหลับพักผ่อน ก็ปล่อยให้ภาพขอนให้อยู่ในสมาธิไป น, นานๆพ อ, อจากสมาธิมาแล้วพอเริ่มคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ก็ให้วิปัสสนาให้คิดไปในทางตายรัก์คิดถึงอะไรคิดถึงใครก็ต้องคิดว่าเขาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราให้คิดอย่างนี้เรียกวิปัสสนา สรุปก็คือวิปัสสนาหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วก็วิปัสสนาได้ตลอดเวลายกเว้นเวลาที่อยู่ในสมาธิเท่านั้น mm hmm. ก็เหมือนกับร่างกายเวลาไปทำงานก็ทำกันเต็มที่เลยพอเหนื่อยก็หยุดพักทำงานกลับมาบ้างอาบน้ำอาบทา่ากินข้าวพักผ่อนหลับนอน สมาธิเป็นที่กินข้าวพักผ่อนหลับนอนของใจเวลาใจวิปัสสนาแล้วเหนื่อยอยากจะหยุดกับพักพิจารณาไปพักๆแล้วก็เหนื่อยอยากจะหยุดหรือ ว, ว่าพิจารณาแล้วมันฟุง้งมันไม่เป็นวิปัสสนามันเป็นกิเลสคือแทนที่จะคิดให้เห็นว่าเป็นตายลกกับคิดไปว่าเป็นตัวเราของเรา คิดว่าอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าคิดแล้วเกิดความอยากขึ้นมาก็แสดงว่าไม่ใช่วิปัสสนาแล้ววิปัสสนาคิดเพื่อให้ตัดความอยากจะตัดความอยากได้ก็ต้องเห็นว่ามันเป็นทุกข์เช่นอยากจะมีแฟนแคิดว่ามีแฟนแล้วมันเป็นทุกข์ทุกข์ว่าอะไรเพราะว่า เดี๋ยวก็ต้องจากกันนานนิจังเป็นความสุขหนึ่งเดีย ว, เ, ยวเป็นความสุขขนาดที่อยู่ร่วมกันเวลาแยกทางกันเวลาจากกันก็จะทุกข์เวลาไม่เห็นหน้ากันก็จะทุกข์อย่างนี้ถ้าพิจนารณาอย่นี้แล้วก็จะได้จัดความอยางไม่ว่าจะอยากได้อะไรก็เหมือนกันนะ เป็นพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้นะมันไม่เทีย่ยวมันไม่ถาวรมันเป็นของชั่วกราวเวลาได้ม า, นานก็ดีใจเวลาเสียไปหมดไปก็จะเสียใจเช็นลาบยศสารเสริญรู้จักราบยศสารเสริญลาบก็คือเงินทองเข้าของต่างๆยศก็คือตำแหน่งต่างๆ สรรเสริญการยกย่องชื่นชมนดีแต่มันไม่เป็นอย่างนี้ไปตลอดไม่เป็นอย่างนี้ไปเสมอมีเจริญราวก็มีเสื่อมราบมีเจริญยศก็มีเสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทามีสุขก็มีทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงมันไม่ถาวร มันพลิกไปพลิกมาออย่าง น, นมีขึ้นมีลงมีได้มีเสียเวลาได้ก็สุขเวลาเสียก็ทุ ก, กข์เวลาเจริญก็สุขเวลาเสื่อมก็ทุกข์แต่ของทุกอย่างในโลกนี้มันต้องมีวันเสือ่อมไม่มีอะไรที่ไม่เสือ่อมงานวารณิจาคือมันต้องเสือ่อมร่างกายเราก็ต้องเสือ่อมร่างกายเราก็ต้องแก่ ต้องเจ็บต้องตายร่างกายของแฟนเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายของพ่อของแม่ของพี่ของน้องของเพื่อนของลูกของหลานก<อ>ันเหมือนกันหมดเวะลามองเห็นร่างกายให้มองเห็นว่าเป็นอนิจจาไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาต้องมีการพัดผ้าจากกันเป็นธรรมดาให้คิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเรียกว่าวิปัสสนา สอนใจให้ดูความจริงอย่าไปดูตามความอยาก <c oughs> เพราะความอยากมันไม่ได้เป็นความจริงอยากให้อยู่ไปนานๆ <c oughs> เจอพระที่ไรก็ขอพรขอให้มีอายุยืนยาวนานสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง <c oughs> พระก็ให้พรไปปากเสีย <c oughs> ปากสิจริงต้องให้ว่าอนิจจังทุกขงาาังอนัตตา เกิดแก่เจ็บตายถ้าให้แบบนี้ญาโยมก็วิ่งหนีหมดจะให้ได้ก็ต้องตอนสอนธรรมะเนี่ยที่จะสอนได้ถ้าเวลามาทำบุญขอพรก็ต้องอายุวันโนสุขขังพลังมีอายุยืนยาวนานมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมันเป็นไปได้ที่ไห น, ม, นมันต้องเสื่อมอายุ ก็ต้องหมดไปอพิจารณาความจริงหรือความไม่เที่ยงเรียกว่าอนิจังอานันตาก็คือเราไปสั่งมันไม่ได้ไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ไปห้ามมันไม่ได้ไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้เวลามันไม่สบายอยากให้มันไม่เป็นไม่อให้มันสบายได้ไหม เวลามันจะตายไปห้ามมันได้ไห ม, ไมไเรียกอนัตตาถ้าไปอยากก็จะทุกข์อยากเวลาไม่สบายอยากอยากให้มันหายแต่มันไม่หายมันก็จะทุกข์เวลาจะตายไม่อยากตายมันก็จะทุกข์แต่ถ้า <c oughs> พิจารณาด้วยวิปัสสนาเห็นว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ก็อย่าไปอยากมันไม่ให้มันแก่เจ็บตายก็จะไม่ทุกข์ความทุกข์ไม่ได้เกิดจากความแก่ความเจบ็บความตายแต่เกิดจากความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายน่เรื่องปัสสนาคอยสอนใจให้หยุดความอยากอยากในสิ่งที่เป็นไปนไม่ได้นข้าใจไอยากให้ร่างกายไม่แก่นี่เป็นไปนไม่ได้ อยากให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนี่เป็นไปไม่ได้อยากให้ร่างกายไม่ตายนี้เป็นไปไม่ได้อยากให้ลาบยศสารเสริญไม่เสื่อมนี่เป็นไปไม่ได้เหมือนต้องเสื่อมทักวันเนี่ยเวลาที่เราตายนี่มันมีเท่าไหร่ก็หมดไปแหละมีเงินร้อยล้านพันล้านก็เป็นของคนอื่นไปเนี่ยมีตำแหน่งใหญ่โตขนาดนั้นก็เป็นของคนอื่นไป เป็นพระเจ้าแผ่นดินตายไปก็คนอื่นก็ขึ้นมาเป็นเป็นสังฆราตายไปคนอื่นก็ขึ้นมาเป็นเป็นสันตะปาปาตายไปก็มีคนอื่นขึ้นมาเป็นนี่ให้ดูความเสื่อมของทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าวิปัสสนาถ้าดูว่าเราไปควบคุมบังคับไปสั่งให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้มันต้องเป็นไปตามเรื่องของมัน เหมือนเราเป็นคนดูหนังเราจะไปสั่งให้หนังมันใช้แบบนั่นแบบให้เรื่องในหนังมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้ไปดูหนังน ะ, ะดูเราไปสั่งว่าให้พระเอกนางเอกโกรธกันเล่นร่างกันได้ไหมก็มีแต่หน้าที่ดูอย่างเดียวใช่ไหมใจก็เหมือนคนดูหนังนี่แหละร่างกายนี้ก็เหมือนคนเล่นหนังอะโตโแล้วใจเราเนี่ยให้ดูร่างกายนี้อย่าไปอย่าไปจัดการกับมัน เราเป็นเหมือนคนดูหนังดูร่างกายนี้ผชนภัยไปกับบุญกับกรรมที่มันทามาบางวันมันก็ดีบางวันมันก็ไม่ดีบางวันมันก็ไปเจอคนดาาบางวันก็ไปเจอคนอชมเนี่ย yeah. ใจให้ดูเฉยเฉยไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจดีใจเสียใจ้าลวนอะ ถ้ารู้ว่าหนังเรื่องนี้จบยังไงแล้วไม่ต้องไปตื่นเต้นหรอกหนังเรื่องนี้จบก็คือพระเอกนางเอกตายหมดนะมั้ยคนดูก็ดูไปเท่านั้นไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจถ้ารู้ว่ามันจะจบไงแล้วก็สบายให้เราดูตอนจบกันพวกเราไม่ชอบดูตอนจบกันงันก็เลยอยากจะไป เปลี่ยนตอนจบให้มันเป็นไปตามใจคนดูนะใจเป็นคนดูอยากจะเปลี่ยนตอนจบให้มันเป็นคือไม่ตายกันไม่มีใครไม่ตายมีไหมมีแต่ตายทั้งนั้นเนี่นะ<ม>ให้พิจารณาความตายความตายก็คือความไม่เที่ยงของทุกสิ่งทุกอย่าง<ม>ของคนของสิ่งของ ต, ต่างๆบ้านช่องนี่เดี๋ยวก็พัง กรุงศรีอยุธยาหนึ่งมันกลายเป็นอะไรแล้วกลายเป็นซากประหลาดขัดฟันแล้วกรุงสุโขทัยกรุงลรมันทุกอย่างมันเสื่อมหมดโลกนี้ต่อไปมันก็จะเสื่อมไปต่อไปอานจะกลายเป็นเหมือนดวงจันทร์ก็ได้ไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่ดินเปล่าๆไม่มีมนุษย์อยู่ตายหมด แต่คนดูไม่ได้ตายไปกั บ, บน่่งกายใจนี้ไม่ได้ตายใจมีมีทางไปสองสามทางด้วยกันไปสวรรค์หรือไปนรกหรือไปนิพพานมีทางเลือกให้ไปได้สามทางถ้าทำบาปก็ไปนรกไปอบายถ้าทำบุญก็ไปสวรรค์ถ้า ปฏิบัติทำวิปัสสนาได้ก็ไปนิพพานมีทางสามทางที่จะไปตอนที่เป็นมีชีวิตอยู่นี้เลือกไปได้ถ้าอยากจะไปนรกก็ไปทำบาปไม่ต้องรักษาสี่ห้าข้ออยากจะข้าก็ฆ้าอยากจะรักทรัพย์ก็รักทรัพย์อยากจะประพฤติผิดประเวณีก็ประพฤติผิดประเวณีอยากจะโกหกหลอกลวงก็โกหกหลอกลวง อยากจะเสพสุรายามาเล่นการพนันไปลาสเวกัสไปเลยไปหมาเก้าไปที่ไหนมีบ่อนการพนันที่นั่นไปทางไปสู่นรกถ้าอยากจะไปสวรรค์ก็ไปวัดที่นั่นมีทาบุญทาทานมีการนักษาศีล ถ้าอยากจะไปนิพพานก็ไปสถานที่ปฏิบัติธรรมไปปีกวิเวกอย่างที่เรามาเนี่ยปีกวิเวกมานั่งสมาธิทำจัจให้สงบแล้วก็จเจริญวิปัสสนาปารณาทุกอย่างว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราของเราเราเป็นเพียงคนดูของทุกอย่างที่เราเห็นนี่ไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรา ทรัพสมบัติข้าวของเงินทองนี้ไม่ใช่ของเราเป็นของยืมเข้ามาเดี๋ยวก็ต้องคืนเข้าไปร่างกายนี้ก็ยืมมาจากดินน้ําลมไฟเดี๋ยวก็ต้องคืนให้กับดินน้ําลมไฟไปเวลาร่างกายตายไปเหลืออะไรเหลือขี้เท่าใช่ไหมขี้เท่าเป็นอะไรถเป็นดินะอ่างามันก็ลระเหยไปถูกไฟเผาไป ไปก็หายไปล <c oughs> มก็หมดไป <c oughs> เหลือแต่ดิน <c oughs> ตับเคลืนสู่ธาตุเดิม <c oughs> คือร่างกายของทุกอย่างก็เหมือนกันเนี่ยลาหลังนี้ถ้าเผาเหมือนกันก็กลายเป็นขี้เถ้าไปเหมือนกัน <c oughs> ทุกอย่างในโลกนี้ต่อไปโลกมันร้อนมันคงจะเผาหมดเนี่ยอ่อไปโลกวันร้อนนี่อาจจะเผาทุกสิ่งทุกอย่างหมด <c oughs> ไม่มีอะไรเหลือตายกันเหมือนโลกพระจันทร์แบบ นี่คือธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างแต่มีสิ่งเดียวที่ไม่มีอะไรจะเผาได้ทำลายได้ก็คือใจผู้รู้ผู้เจริญวิปัสสนานี่ผู้นี้กาลังพิจารณาสิ่งต่างๆนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกพิจารณา mm hmm. เป็นเหมือนนักวิทยาศาสตร์กำลังวิจัยสิ่งต่างๆแต่นักวิทยาศาสตร์ไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกวิจัย นักวิทยาศาสตร์เป็นผู้วิจัยใจก็เป็นผู้วิจัยสิ่งต่างๆเป็นเหมือนนักวิทยาศาสตร์ <c oughs> ใจไม่ตายเพราะอะไรใจไม่เสื่อมเพราะอะไร <c oughs> เพราะใจไม่มีรูปมีร่างไม่มีหน้ามีตามีแต่ความรู้สึกนึกคิดเท่านั้นเอง <c oughs> นี่คือธรรมชาติของใจ <c oughs> แต่ใจไม่รู้จักตัวเองไปหลงคิดว่าตัวเองเป็นร่างกาย ก็เลยไปเดือดร้อนแทนร่างกายไปเดือดร้อนแทนสมบัติต่างๆที่ได้มาได้มาแล้วก็หวงอยากจะเก็บไว้อยู่กับตัวเองไปเรื่อยๆพอเสียไปก็เสียใจเพราะไม่รู้ว่าไม่ใช่เป็นของใจใจไม่สามารถเก็บอะไรไว้ได้นอกจากตัวใจตัวเดียวเท่านั้นเองให้มาพิจารณาเพื่อจะได้ปล่อยวางทุกอย่าง ไม่ไปอยากให้สิ่งต่างๆที่เรามีอยู่นี้ไม่จากเราไปเพราะ <gu> สิ่งต่างๆที่มีอยู่นี้ต้องจากเราไปร่างกายนี้ก็ต้องจากเราไปแต่ตัวเรานี้ไม่มีวันจากเราไปตัวเราก็คือตัวรู้นี้รู้ที่กำลังคิดอยู่นี่ น, นี่แหละตัวเราตัวใจนี่ตัวรู้ตัวนี้ไม่มีร่างกายไม่มีรูปร่าง เป็นเหมือนความว่างความว่างไม่มีวันที่จะหมด <Okay. S 1> เรามานั่งกี่วันเราก็เจอไอ้ความว่างนี้มันก็อยู่ตรงนี้นี่แหละความว่างนะเนี <Okay. S 1> ่คือความว่าง <Okay. S 1> ไม่มีอะไรไม่มีอะไรทำลายความว่างได้ระเบิดน mm ิวเคลียร์ก็ทำลายมันไม่ได้ <c oughs> ทำลายสิ่งที่มีได้แต่สิ่งที่ไม่มีไปทำลายไม่ได้ ใจนี้ก็เป็นเหมือนไม่มีอะไรมีแต่ความรู้สึกนึกคิดเท่านั้นตัวที่รู้สึกนี้ก็ใจตัวที่คิดก็ใจ <c oughs> ที่คิดไม่เป็นคิดไปกับความหลงคิดว่าอันนั้นเป็นอันนี้เป็นของเราอันนั้นเป็นของเราอันนี้เป็นของเราพออะไรเป็นของเราก็อยากจะให้มันเป็นของเราไปเรื่อยๆ <c oughs> ไม่อยากให้มันจากเราไป แต่ไม่มีอะไรมันจะไม่จากเราไปทุกอย่างมันต้องจากเราไปเวลาจากก็เลยทุกข์ทุกข์ไม่ทุกข์ก็จากอยู่ดีงั้นช่วย <c oughs> อย่าไปทุกข์ไม่ดีกันนะวิธีที่ไม่ทุกข์ก็คือต้องรู้ว่ามันไม่ใช่ของเราต้องรู้ว่ามันต้องจากเราไปแล้ว <c oughs> ก็เตรียมตัวเหมือนกับไปยืมของเขามาก็ต้องรู้ว่าต้องคืนเขาใช่ไหม คุณไปยืมลถเข้ามาขับเดี๋ยวคุณก็เสร็จแล้วคุณก็นั่งไปคืนเขาไม่ใช่ไหมสมัยนี้เ ค, คุณไปเท่ารถเท่ารถเท่ารถเสร็จเดี๋ยวคุณก็นั่งไปคืนเขาไม่คืนก็ก็มาตามมาตำรวจเขาก็ตามมาร่างกายนี้ของทุกอย่างมันของของยืนเข้ามาเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็เขาก็จะมาทวงคืนไปเดี๋ยวสับปเปล่าก็มาขอรับร่างกายนี้ไป เวลาร่างกายนี้ตายไปแฟนก็ไม่เอาละสามีภรรยาของเรานี่รักเราขนาดไหนพอร่างกายเราตายเนี่ยเขาไม่เก็บเราไว้แล้วเขายกให้สับปปเหลือกแต่ตอนไม่ตายนี่โอ้ยฆ่ากันได้ใครใครมาแย่งไปนะแต่พอตายแล้วยกให้สับเปลิอกฟีแถมเงินให้ด้วยให้พิจารณาให้เห็นอนิจจังอนัตตา แล้วก็อย่าไปอยากแล้วมันจะไม่ทุกข์ที่ทุกข์เพราะอยาก <Okay. S 1> ของทุกอย่างที่เราทาที่เราทุกข์กับมันก็เพราะเราอยากกับมันม อ, อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พ <Okay. S 1> อมันไม่ได้เป็นดังใจอยากก็ทุกข์ร้ <Okay. S 1> อง <c oughs> ห่มร้องไห้คนตายก็อยากจะให้ไม่ตายใช่ไหม <c oughs> ก็ร้องไห้เวลาเสียข้าวเสียของไปก็ร้องไห้เ <c oughs> สียดาย แต่เวลายินดีจะเสียก็ไม่เสียได้เวลาเบื่อสามียกให้คนอื่นได้เลยในชะ่ไหมเวลาเวลาไม่รักสามีนี่ใครจะมาขอก็ยกให้เขาไปได้เลย <c oughs> แต่ถ้ายังรักอยู่ยังอยากให้ก็อยู่กับเรานี่ยใครมาแตะไม่ได้เล ย, นะ <c oughs> ยงั้นอย่ายไปรักอะไรรักแล้วมันจะเสียใจ เพราะเราต้องเสียสิ่งที่เรารักไปต้องมีการทัดพากจากกันเป็นธรรมดาเอ็นถ้าไม่รักเวลาเขาจากเราไปเราก็จะไม่เสียใจ อ, อย่างคุณจากเ้าไปแล้วไม่ร้องไห้หรออ่าจริงเพราะเราไม่รักคุณอ่ะไอย่างนั้นต้องพยายามไม่รักใครใช่นะซิรักแล้วมันทุกข์ก็เปล่ารักก็ทุกข์อไม่รักร้ทุกข์ไหม ไม่รักก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมสิแล้วไปทุกทํทำไมอาจารย์คะแล้วที่ขามีการพิจานะรณาอมานุสติพิจารณาอสุภะแล้วก็อย่างล่าสุดที่โยมไปมีคอยของท่านเหมือนกับเป็นผะโกน้าเป็นผนะพม่าอะไรอย่างี้คะที่ท่านเรียนรู้ ให้พิจารณาเวทนาบนร่างกายทั้งหมดอย่างนี้โยมจะทราบได้ยังไงว่าอันไหนเหมาะสมกับโยมเพราะรู้สึกมันก็มีหลากหลายคือมันต้องพิจารณาหมดนะเพราะเรายังไปติดกับมันอยู่<ม>ทีนพิจารณาความตายก็บฟึ่งสอนไปเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ค่ะเข้าใจอันความตายแล้วค่ะพิจารณาเวทนาก็ให้พิจารณาความเจ็บไงเวลาเจ็บแล้วเรานอา สุขเรื่องเราทุกข์อะเราก็ทุกแต่พปายามอุเบกขาอยู่ค่ะนั่นแหละก็คือต้องต้องปล่อยวางเหมือนต้องยอมรับวว่ามันเป็นเรื่องร่างกายมันจะต้องเกิดร่างกายมันต้องตายแต่ไอความเจ็บนี่มันต้องเกิดถ้ามันไม่ให้เกิดไม่ได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนี่มันต้องเกิดมันคนละด้านกับร่างกายร่างกายมันต้องตายแต่วิญามัน ความเจ็บมันต้องเกิดแต่มันก็เหมือนกันแล้วก็ต้องอย่าไปรักอย่าถ้ามันถ้าสิ่งใดที่มันต้องเกิดแล้วก็อย่าไปชังอย่าไปเกลียดมันอันนี้ต้องรักมันอะไรใจนะ <c oughs> ถ้ารักมันแล้วมันจะไม่ทุกข์ <c oughs> คนที่กินพริกกับคนคนที่ชอบกินพริกกับคนที่ไม่ชอบกินพริกนี่เวลากินพริกใครจะสบายบกว่ากันคนกินพริกฮะคนไม่กิน คนไม่กินพริกกินสบายกว่าคนกินพริกเหรเวลาต้องกินด้วยกันทั้งสองคนอะ่ะคนที่ชอบกับคนไม่ชอบคนไหนจะสบายกว่ากันคนที่ชอบสบายกว่าอ่เพราะเขาชอบกินของเผ็ดใช่ไหม<ช>กินแล้วก็ไม่ก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมใช่ค่ะแต่คนที่ไม่ชอบกินของเผ็ดกินแล้วเป็นงไงกินก็ร้อนทุกข์ไหมทุกข์อ่อยู่ที่หไหนนะมันก็พริกเหมือนกันอยู่ปากเหมือนกันนิ่มเหมือนกัน อยู่ที่ใจใช่ไหมใช่ใจชอบแล<จ>้วไม่ชอบใช่ไหมค่ะนั้นก็หาดชอบความเจ็บซะเลยหรืออย่างน้อยก็อย่าไปรังเกียจมันให้มันทําใจใเฉ ย, ยเฉยเนีหตุที่ให้นั่งสมาธิเพื่อให้ใจมันเฉยเฉยแล้วเวลามันเจออะไรมันจะจาเฉยได้ถ้าเฉยได้มันก็จะไม่ทุกข์ค่ะ อ, อย่างตอนนั้นิยมโปวดท้องแล้วก็รู้ว่า ถ้าเข้าสมาธิแล้วจะไม่ปวดคืออย่างนั้นเนี่ยมันจะทําให้เราไม่เกิดปัญญาหรือเปล่าอันนั้นมันหนีไงมันเพียงแต่หนีเหมือนกับมันต้องไม่เข้าสมาธิเหมือนต้องบังคับใจให้เฉยๆกับมันชอบหรือให้เฉยได้อย่แต่ยาไปเปลี่ยนเพราะเกลี่ยนแล้วจะเกิดความอยากให้มันหายตัวความอยากให้มันหายนี่แหละเป็นตัวผลิตความทุกข์ ที่ร้ายกาดกว่าความเจ็บของร่างกายที่รุนแรงกว่าความเจ็บของร่างกายคือความอยากให้ความเจ็บหายไปเราต้องหยุดตัวนี้วิธีอยู่ตัวนี้ก็ต้องใช้ทําใจให้เป็นอุเบกขาก็ใช้ปัญญาว่าเวทนานี้มันเป็นอนัตตาเราไปสั่งมันไม่ได้ใช่ไมใช่ใชเหมือนฝนตกแดดออกนี่เราไปสั่งมันได้หรไม่ได้แล้วเราทุกข์กับมันห่าไม่กพ่ออะไร เพมันเป็นธรรมชาติตอนเราไม่ได้ไปอยากใช่ไหมอ่าไม่ได้อยากอ่อันนี้ก็เหมือนกันการเจ็บนี่ก็เป็นธรรมชาติเหมือนฝนตกแดดออกเป็นอนัตตาหัดอยู่กับมันสช่เหมือนกับเราหัดอยู่กับฝนตกแดดออกได้มันก็เท่านั้นอันนก็เราพยายามนั่งให้มันเจ็บเราจะได้ฝึกเนี่ยถ้าเราไม่ยอมนั่งกับความเจ็บก็แสดงว่าเรายังหนีมันอยู่ยังกลัวมันอยู่เวลาที่เรานั่งเราเจ็บอะค่ะอาจารย์ ให้เราคือโยมมีทาทั้งสองอย่างก็คือว่าก็มองมันเฉยๆแล้วก็คอนคอนอ่าเหมือนกับดูลมหายใจไปได้เลยข้อที่สองคือเมื่อตที่มันเจ็บมากเหมือนกับเส้นเอ็นมันมันมันกระตุ้นนะค่ะก็มาพิจารณามองให้พยายามให้มองให้มันจบแล้วก็บอกกักมาว่าสิ่งใดที่เกิดไม่ใช่เป็นสิ่งนี้เราวคนจะมองคนจะมองตัวความอยากว่าตอนนี้อยากให้มันหายหรือเปล่า ถ้ามันอยากก็ต้องบอกอย่าไปอยากให้มันหายต้องยุมันว่อยู่ไป น, น, นานๆอย่าหาย <laughs> อ้าวใช่ไหมเห <laughs> ็นยาหน้าจริง <p ul g> ปวดปวดก็อย่อยาเพิ่งยาเพิ่งหายเอชอบฉันชอบความปวดถ้าชอบความปวดแล้วมันจะไม่ทุกข์เน <c oughs> ี่ยถ้าเราไปดูความเจ็บล้วก็จะอยากให้มันหายอยู่นั่นแหละใช่ไหมอย่าไปดูอย่าไปสนใจมัน ดูใจแล้วว่าอยากให้มันหายหร <74. S 1> <Memory> ือเปล่าถ้ามันอยากต้องหยุดต <van celui> ัวนี้ไม่ใช่ไปหยุดต <correlation. S 2> <flush> ัวความเจ็บเพราะความเจ็บมันเป็นธรรมชาติไม่ใช่ใช่คุณไปสั่งมันก็ไม่ได้ใช่ไหมสั่งมันไม่ได้แต่คุณสั่งใจคุณได้มั้ยสั่งให้สั่งให้อยากหรือไม่อยากได้ไม่ใช่เปลี่ยนใจได้เวลาอยากได้แล้วคุณอาจจะเปลี่ยนใจไม่เอาก็ได้เปลี่ยนใจอันนี้การเมืองกัน อยากให้มันหายก็เปลี่ยนใจเลยไม่อยากให้มันหายก็ได้พลิกความอยากเลยให้ดูตัวนี้ตัวปัญหาไม่ใช่ตัวความเจ็บของร่างกายตัวปัญหาคือความอยากให้ความเจ็บหายไปดูตัวนี้ว่ามันอยากให้หายหรือเปล่าถ้ามันอยากให้หายต้องหยุดมันให้ได้วิธีหยุดก็พุโทโธไปก็ได้อ พุโทโธพุโทโธไปอยู่กับพุโทโธไปอยู่กับลมไปอย่าไปดูความเจ็บถ้ามันอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมมันจะอยากไม่ได้<ช> <อะ S 2> แล้วมันก็จะเฉยได้เฉยแล้วความเจ็บมันก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นปัญหาอะไรตัวปัญหาไม่ใช่ความเจ็บแต่ความทุกข์ความทุกข์ความอยากที่เราอยากให้มันหาย อ, <ะ S 2> อ่า น, นั้นแหละแก้ปิดที่เราต้องมาแก้ที่ใจแก้ที่ สมุทยความอยากไม่ใช่ไปแก้ที่เวทนาเวทนาแก้ไม่ได้มันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปไปแล้วเดี๋ยวมันก็มาเรายอมเข้าใจว่าพยายามแบบคือเตรีมทาทั้งสองอย่างคือคือเจรนาแบบเหมือนกับตับมาดูลมหายใจแล้วก็ไม่ยุ่งกับมันแบบอันนี้สอที่กลับไปดูมันเพราะว่าคิดว่าอยากจะดูเหมือนกับเหมือนกับเทรนสอนใจว่าให้ ให้มันดับดูอะไรที่มันเกิดแล้วมันก็ดับของมันอย่างนั้นเราไม่ต้องสนใจมันสนใจมั น, มนดับมนบนันเดี๋ยวเขารู้เองไม่ต้องไปดูมันค่ะคือให้ดูตัวความอยากนี้เป็นเป็นหลักตัวนี้เป็นตัวปัญหา <c oughs> ไม่ว่าจะกับอะไรกับเหตุการณ์อะไรทั้งนั้นคอยดู <c oughs> เห็นร่างกายสวยก็เกิดความอยากใช่ไหมเห็นรูปร่างหน้าตาเป็นดารา ดาราเกาหลีเห็นแล้วก็วิจวากันใหญ่เลยก็หัดดูจับตายไส้ภูมิเขาบ้งหน่ให้ดูสุภาพสุภาพแปลว่าอะไรสวยงามสุภาพแปลว่าไม่สวยไม่งามถ้าไปดูสวยงามมันก็จะเกิดความอยากเกิดกามอารมณ์ขึ้นมาถ้าดู ไม่สวยดูส่วนที่ไม่สวยไม่งามก็จะขยะขยง่ายลองดูน้ำไส้เขาอยลองดูปอดหัวใจเขาดูดูโครงกระดูกเขาดูมีมีใครไม่มีโครงกระดูกบ้างเนี่ยมีไหมเนี่ยที่นั่งอย่างนี่มีใครไม่มีโครงกระดูกมบม้างไหมทำไมมองไม่เห็นกันไม่มองมันก็ไม่เห็นน ะ, ะตานี่มัน ตานี้มันตาเนื้อนี่มองไม่เห็นแต่ตาในนี่เห็นตาวิปัสสนานี่เห็นต้องใช้ตาวิปัสสนานถึงจะเห็น<ม>ก็ต้องพิจารณาบ่อยๆดูโครงก็ดูบ่อยๆเราไม่เห็นก็ไปเปิดหนังสือดูก่อนก็ได้หน<ม>ังสือที่นักศึกษาแพทย์เขาเรียนเนี่ยดูอวัยวะสามสิบสองอาการต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายอยู่ใต้ผิวหนังเนี่ย ตอนนี้ผิวหนังมันหุ้มหอไว้หมดร่างกายนี่เหมือนกับถุงพลาสติกหอเศษขยะเอาไว้รึเปล่าแต่เรามองไม่เห็นนด่ถ้าล่างถ้าผิวเรามันใสเหมือนถุงพลาสติกนี่มันน่าดูไหมไม่น่าดูเห็นกันหมดเลยเห็นกันหมดได้ไก็ต้องใช้วิปัสสนามันจะทำให้ผิวนี่กลายเป็น กลายเป็นเหมือนกับถุงพลาสติกนะครับต้องมานพิจารณาดูข้างในนึกถึงภาพต่างๆที่อยู่ภายใต้ผิวหนังเห็นหน้าเห็นหน้าเห็นกระโหลกสีขาหรือเปล่ากะโหลกอยู่ตรงไหนแต่มองไม่เห็นใช่ไหมใช่ยกเว้นพิจารณาต้องพิจารณาบ่อยๆตถ้งแต่เรื้อาสุภะพิจารณาอสุภะ จะได้ตัดการอารมณ์จะได้อยู่คนเดียวได้ที่อยู่คนเดียวไม่ได้เพราะเหงาอยากจะมีเพื่อนนอนอะนะแต่ถ้ารู้ว่าเพื่อนนอนนี้เป็นเป็นผีดิบดีๆนี่เองอยากจะนอนด้วยป่าถ้าเกิดเขาตายไปวันนี้ยังจะเก็บเขาไว้ในบ้านไหมฮะก็ไม่มีใครอยากเก็บ น, ะนั่นน่ะทางพิจารณาเนี่ยนะ ร่างกายเนี่ยมันต่างกันตรงไหนเวลาไปดามีลมหายใจกับไม่มีลมหายใจมันก็ร่างกายเดียวกันไม่ใช่เพราะทาไมพอไม่มีลมหายใจเก็บไว้ไม่ได้ทําไมมัาเป็นนอนมอนข้างไม่ได้แอะไรเงี้ยเพราะข้างในมันออกหมดแล้วมันไม่ออกไม่เพียงนอนมันไม่ได้หายใจใช่ไกินออกว่ะนั่นแหละพิจารณาซากศพไว้มากคนเป็นคนตายก็อันเดียวกันนี่แหละ คนตานยมาจากคนเป็นไม่ใช่เลยแล้วทำไมไปรักคนเป็นแล้วไปเกิดคนตายมันก็คนคนเดียวกันไม่่ไม่ได้ไม่มีปัญญาอ่นั่นแหละเพราะไม่มียาสุภาษะ อ, อ่ไม่นึกถึงยาสุภาษะ อ, อ่ให้นึกถึงยาสุภาะ บ, บ่อยๆ อ, อาจารย์ถามคาถามสุดท้ายคือยมไม่แน่ใจว่าอะไรที่เรียกว่า เวารานั่งสมาธิแล้ว ร, ร, ร, ลรวมอย่างที่เจอสองครั้งเหตการอ์ใหก็คือว่าครั้งที่หนึ่งเนี่ยเหมือนกับโยมเห็นเอ่อเป็นขาวหมดทุกอย่างอันนั้นเนี่ยถือว่าจิตรวมไหมคะคือเหมือนขาวทุกอย่างแต่ว่าโยมไม่รู้สึกมีตัวอะไรกับของเหมือนเหมือนกับเราเข้าไปอยู่ที่เดียวแต่เราไม่รู้ร่างกายขอยงเรากับอันที่สองก็คือเหมือนกันเหตุการณ์เหมือนกันคือ เราอยู่ในท่านอนเหมือนกันนะคะแต่ว่าเรารู้ว่าจิตเราตื่นแต่ไม่ใช่ว่าหลับแล้วก็เหมือนกับทั้งแรกที่เห็นขาวไปก็คือให้ต้องพยายามทําหมกับจับว่าเราอยู่ที่ไหนเหมือนกับอันนั้นก็คือพยายามจับพื้นหาในเกาะอะไรอย่างนี้ค่ะคร<ไ>ั้ทงที่สองที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยก็คือว่าเหมือนกับเราคิดว่าเราย่างนั่งนั่งสมาธิอยู่ <S <S พรบอกเตัวเองว่าชั่วโมองอาธิษฐาน ต้องไม่ไปเข้าห้องน้ำากอไม่ทำอะไรแต่พอมารู้สึกตัวเองก็คือว่าตัวเองก็ยังอยู่ในท่านอนอันนี้นคือสมาธินี่มันมันนิ่งมันสงบมันสบายใช่ค่ ะ, ะมันปล่อยวางมันเฉยเฉสกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความคิดปรุงแต่งค่ ะ, อ, ะอันนั้นก็คือเรียกว่าจุดรวม ถ้ามันเวนบ่อยๆวนนานๆแล้วถ้าเกิดสมมันว่าโยมต้องเข้าไปในเหมือนกับ น, นักจุนนันอีโยมจะต้องพิจารณาไงคะเพราะในตอนนั้นคือเหมือนตกใจหรือว่าตัวเองอยู่ในที่ไหนักก็ใช้ดูลมหายใจเข้าออกใช้พุทธโธเลยก็ดูลมต่อไปเอออย่าไปคิดอะไรหยุดความคิดแล้วมันก็จะเข้าไปถ้ายังคิดอยู่มันก็เข้าไม่ได้อืม ให้หยุดความคิดให้ดูลมเฉยๆอย่าให้มีความคิดต่างๆหรือให้มีพุทโธอย่างเดียวพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่างนี้เดี๋ยวมันจะวุ้บลงไปะเหมือนตกนึกแบบเหมือนตกนั่งเ้รื่องบินตกล้มัมากระดับอือนิ่งแล้วก็สบายเย็นเฉยๆอย่างเงี้ยรู้เฉยๆ ได้อยู่เงั้นให้ฝึกทําให้มันอยู่องั้นนานๆเยอะๆบ่อยๆทั้งวันแล้วมันออกมาแล้วมันจะมีกําลังที่จะมาวิปัสสนาได้ว่ากลัวทุกทีเลยค่ะตอนอยู่ว่าต้องทำอะไรบ้เป็นคนไทยก็เป็นคนสิงคโปร์ไม่นคนหนูเป็นคนไทยจะอยู่สิงคโปร์มาสิบปีได้นะคะ ไ, ได้แฟนเป็นสิงคโปร์ปแฟนเป็นคนสิงคโปร์เป็นคนไทยเกิดที่เมืองไทย ที่เมืองไทยค่ะที่ไหนกรุงเทพเหรอที่กรุงเทพสิคะเพราะพูดมีสำเนียงเป็นจีนจีนะขอโทษด้วยครัอาจารย์เข้าใจไหมทำไมต้องพิจารณาวามตายพิจารณาเวทนาพิจารณาสุภะเพราะมันเป็นกิเลสมันทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่ได้พิจารณา โยนไปปฏิบตแต่ต้องทำสลับกับสมาธิพิจนารณาแล้วพอจิตเริ่มรูเลยไม่พิจารณาก็หยุดกลับไปนั่งสมาธิใหม่ <Okay. S 2> ถ้าเริ่มไปคิดถึงสามีคิดถึงเงินทองก็หยุดคิดหยุดแล้วนั่นไม่ใช่วิปัสนาแล้ว <c oughs> ถ้ายัางพิจารณาสุภาพอยู่ยังพิจารณาความตายอยู่ พิจนาเวทนาอยู่หรือพิจนาอานิจังอยู่นี่ก็ยังถือว่าเป็นวิปัสสนาอยู่แต่พอไปห่วงซามหีห่วงลูห่วงกห่วงสมบัตินี่ก็ไม่ใช่วิปัสสนาแล้วก็หยุดกลัมาทำสมาธิแสดงว่ากำลังหมดละกิเลสมันจะดินใจไปคิดทางกิเลสแล้วก็ต้องหยุดคิดแล้วกลับมาทำสมาธิทำใจให้สงบ ใจสงบแล้วกิเลสมันก็จะถูกตัดกำลังพอออกมาก็คิดไปในทางอนิจจังทุกขังนันตาไนดะ้ถ้าไม่คิดไปทางนี้ก็แสดงว่ากิเลสหนึ่งไปแล้วถางว่าไงในทางนี้มีอะไรจะถามไหมมีอะไรไ <c oughs> หมรุอผูาจาดงานที่ ถ้าอรบอกว่าวุ้มันไม่ถ่ายไม่ได้หมายถึงความง่วงใช่มคะมันเป็นได้สองอย่างบางทีก็าวุ้วลงไปพอง่วงก็ีหลับไปแบบสงบหลับไปก็ปบบออมแีแต่นี่มันไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นอย่างนั้นมันจะรู้สึกตัวตลอดเลยค่ะมันจะเย็นสบายสบายอยู่กับ<อ>าม<อ>่มีบางบางช่วงที่อาจารย์บอกนำุ้ลงไปกุหลับหลับก็มีรู้สึกตัวเอาใหม่จค่ะเ่องนี้อฏิบัถูกไหมคะ ถูกแต่ไม่ได้มันไม่ได้เป็นสมาธินะมันถูกกับคือคือปฏิบัติมันถูกแต่ผลบางทีมันไม่ได้ผลตามที่เราอยากได้<ม>เพราะสติเราไม่มีกําลังพอถ้าเรามีสติมากมันก็จะไม่วุบมันวุบแต่มันจะไม่หลับแต่ถ้าสติมันไม่มีกําลังพอมันก็จะหลับแบบแบบหลับแล้วค่อยวุบพอหลับแล้วก็วุลบลงไป แต่ถ้ามีสติมันจะวุบแล้วก็มันไม่หลับมันจะตื่นมีคันฝากคำถามอะไรนักชีเบอร์สีค่ค่ะถามมานักชีฝากถามว่าองค์ธรรมของอิทธิบาสีของนักปฏิบัติที่คืออะไรนะคะก็ชั้นท้าวิริยะจิตตวิมังสาเหมือนกันทุกคนแหละเหมือนกันทุกคนอ เน้นตัวไหนเป็นพิเศษหรือว่าต้องมีทุกตัวก็ตัวแรกถ้ามีฉันทาแล้ววิริยาจิตตะวิมังสาเราก็จะตามเลยแล้วก็ที่บรรพิตที่พระอาจารย์ตอบไปเรื่องที่ให้เหมือนกักเวรพื้นที่ตัวเองดูความอยากให้ตอนให้รู้สึกว่าความอยากเป็นเหมือนน้ำเราต้องรีดความอยากออกเพราะถ้าเราปล่อยไว้มันก็จะสบายแล้วเรารู้สึกว่าความอยากเป็นนิดเราแล้วก็พาเราไปแกล้งตาย แม่ชีก็บอกว่าสะดุดตรงนี้เพราะว่าทุกวันเนี่ยเริ่มชินกับความลําบากอย่างเดินจงกรมก็เดินทีสีชั่วโมงแล้วก็ตัวลิ้นเนี่ยกัดจนก็คือไม่ได้เป็นสนใจมันกัดจนรู้สึกว่าพอหยุดเดินเนี่ยเลือดเต็มพัตถุเลยเพราะตัวลิ้นเลือดจากตัวลิ้นที่กัดก็ไม่ได้รู้สึกอะไรอย่างนั่งนานก็ก็คืออยู่กับความเจ็บได้ในระดับหนึง่งมันก็เริ่มเริ่มรู้สึกว่าในกิจกรรมในแต่ละวันมันก็เป็นอย่างนี้หมุนไปนเรื่อยๆก็เริ่มชินกับตรงนั้นแล้วแม่ชีก็เลยรู้สึกว่า ตรงนี้หรือเปล่าที่รู้สึกคุ้นเคยกับกับสิ่งที่เป็นอยู่มันมันก็เหมือนกับว่าเอาความอยากมาเป็นมิตแล้วทำให้ไม่ชีรู้สึกว่าเราไม่ชีจะต้องทำอย่างไรนยเมื่อรู้สึกว่าความอยากเป็นนิตแล้วเพราะมันคุ้นเคยกับสิ่งที่เป็นอยู่ก็คืออย่าให้มันเกิดความอยากขึ้นมามันไม่ได้เป็นมิตรเราหรอกคือถ้าเราทำอะไรไป เกนกระทั้งมันไม่มีความอยากก็แสดงว่าเราชนะมันเราไม่ทำตามความอยากเหมือนเวลาอยากจะสูบบุหรี่อยากจะดื่มกาแฟถ้าเราไม่ดืม่มเราก็ชนะมันถ้าเรายังดืม่มมันก็ยังเป็นมิตรกับเราอยู่ไม่เชียวพอเราพอเราไปกับมันถ้ามันต้องเป็นศัตรูกับเราไม่ใช่เป็นมิตรกันอะไร ถ, ถ้ามันอยากจะดืม่มเราไม่ดืม่ม เราต้องฝืนมันต้องสู้กับมันไม่ใช่เป็นมมตรกับมันมันชวนเราเดินแล้วก็เดินประมานี้มันก็เดี๋ยวจะหลงประเด็นการเดินยงกลมนานๆนี่แสดงว่ามันตัดความอยากที่จะไปนู่นมานี่ได้ถ้าเดินได้แป๊บเดียวแล้วอยากจะนั่งแล้วนะี่นั่งได้แป๊บเดียวก็อยากจะเดินนะอันนี้ยังเป็นถูกความอยากมันดันอยู่ งั้นเราก็อย่าไปทําตามความอยากเดินก็เดินไปเรื่อยๆถ้ายังตามใดถ้าอยากอยากจะหยุดเดินไม่ก็ยังอยากพึ่งหยุดเดินจากระทั่งความอยากอยากหยุดเดินหายไปแล้วค่อยหยุดหรือนั่งก็เหมือนกันนั่งไปจนกว่าความอยากจะลุกมันมันหมดไปถ้ายังอยากลุกอยกู่ อ, อย่าเพิ่งลุกดังนั้นอาจารย์อย่างเช่นนั่งเนีแล้วบอกเอามันมืนมันจาเหนื่อย แล้วบอกว่าอยากพักงั้นก็เลยบอกตัวเองว่าไอ้นนั่งสอนีกสัหน่ อ, อ, อยดีกว่างั้น ก, ก็ถือว่าเราดึงออกห ค, คือบางทีมันไม่ใช่เป็นเหตุผลไงมันเป็นความอยากเขาก็ต้องขึ้นถ้ามันเป็นเหตุผลจําเป็นเช่นต้องลุกไปฉี่ <c oughs> ก็ต้องไปครูอาจารย์คะแยกได้ยังไงระหว่างการเดินนะคะแยกระหว่าง ความอยากที่จะยุดกับเมื่อยจนร่างกายมัน้าก็ให้มันล้มลงไปนั่นแหละอันน้คือถึงจะเป็นจุดที่จะชัดเจนได้ไปได้ทั้งบันเดินไม่ไหวแล้วมันล้มลงในทางจงกรมนั่นแหละขาเท้าแตกอะ walking meditation can go to China it's not walking it's your concentration if you walk without concentration you still don't get it But even are moving, are able concentrate. If you're c o n c e n t r a t i n and you're walking. It can also go to jhana. Mm -hmm. It's not the position of the body. It's the mindfulness. Okay. Mm. But it's more difficult than e d i t a t i o n Because we got people walking for hours and they don't, they don't go to jhana. They go shopping. <laughs> <laughs> <laughs> they go. <laughs> they go to you know. Sightseeing, they walk for many hours. They don't go to jhana. You have to have mindfulness, focus only one object. Then you can go to jhana with any position: walking, standing, sitting, or lying down. See? It's not the body that goes to jhana; it's the mind, and the mind needs mindfulness to go into jhana. And the mind cannot go into jhana because of your the, the mind desire keeps telling the mind to go do something else. Yeah. You walk for a while and then say, "Oh, let's go have a drink. <laughs> let's take a break." Yeah. So you, you you you keep your desire keeps pushing you away from jhana. See. So you have to cut off your desire. You say, "I'm not going to do anything. I'm going to walk until I either have jhana or fall." I can no longer walk. Then I just sit on, in, sit right there, and then. I y e s If you have, you have to do, use drastic measure. If you don't, you never, you you never advance. Yeah. If you want sit, to sit for a long time, yeah. mm -hmm. don't get up. Except when you have to go to the toilet or something. Mm -hmm. Other than that, just if you thirsty, just get a bottle of water next to you. Mm -hmm. You can sit in two categories. Sit comfortably. You don't want to put too much pressure on your, your your mind yet. So you just want to don't don't add the the pain of the body to the the problem. First, you just sit comfortably and try to fight your desire that wants to go do something else. Then when you have stronger, strong, your your mind becomes strong, and you can resist this desire. And the next time you sit and let it become painful also, then your your mind will become stronger. Yeah. สรุปแล้วศัตูก็คือความอยากความอยากไม่เป็นไม่ไม่เคยเป็นมิดกับใครเนี่อย่าไปพูดว่าเป็นมิตร คำว่าถ้าเดินได้สีชั่วโมงแล้วไม่ไปตามอยากไม่เกิดก็แสดงว่าเราชนะมันมันไม่บันดึงให้เราไปทํานู่นทานี่หรือให้เราหยุดหรืถ้าเราจะหยุดก็กาหนดหยุดตามเวลาที่เรากาหนดไว้ถ้าเรายังไม่ไม่สามารถบอกาไปกันแบบสุดๆตายกันไปข้างหนึ่งเลยก็ถ้าตายไปข้างนี้ก็เดินไปเดิน่าบันจา ตายถ้าไม่ตายก็ไม่หยุดเดินเนี่ยถ้ายังมีความอยากจะหยุดเดินกูก็ต้องเดินต่อไปอย่างที่จจอาจารย์บกําหนดเวลานี่ ม, มีอย่างน้อยควรจะขั้นต่ำเรื่องดีวกาลังของเราเไงว่าเราเป็นปฏิบัติบางทีเราเริ่มต้นนี้เราจะทําแบบวิ่งมาราธอนเลยไม่ได้แล้วก็เอามินิมาราธอนไปก่อนเอาสิบกิโลก่อน อะไรเงี้ยต้องดูกําลังของเราว่าเราจะนั่งได้นานเท่าไรถ้าเราถึงขั้นว่าไม่ต้องกําหนดเวลาเลยเอากันเอากันตายไปข้างหนึ่ง <laughs> ขถึงวันนั้น <laughs> อาจาราย์แล้วอย่างนี้เวลานั่งนแล้วลรู้สึกมันเองหรือมันมูอย่าไปสนใจอย่าไปสนใ จ, ไ ม, นใจไม่ต้องสนใจไม่ต้องแบบกล<ด>ับมาทางไปเดี๋ยวมันจะหลอกเราให้ไม่ได้ภาวนาอสนใจที่ลมอย่างเดียวให้มันลมลงไปก่อนแล้วค่อยกลับถ้ามันยัง บางทีมันหลอกเราอ่ะใช่อ่ามันหลอ ก, ลอกเรามากกว่าบางทีก็อยากจะเกินน้ําลายบางทีน่ำปั๊บคันตรงนี้คันตรงนี้ขึ้นมาแล้ว <c oughs> อย่าไปสนใจมันหลอกเราข้างนั้นอะ <c oughs> เวลานั่งเล่นไพ่นั่งดูทีวีเนไม่งั้นมันคันเลยนะอ่าพอานั่งภาวนาแล้วเริ่มสนใจเรื่องร่างกายให้สนใจอยู่ครับ พุทโทรหรื อ, อลมหายใจที่เรากาลังใช้เป็นงานของเราอยู่นี่ยมั น, มนจะมาหลอกเราอยู่เรื่อยเมื่อชีถามว่ากาแฟเนี่ยตั้งแต่บวชไปพระอาจารย์บอกว่าไม่ให้กินเลยก็ไม่กินแล้วแต่ที่มื่ชีถามว่ามีคนมาถอยกินได้ไหม <laughs> <laughs> ถ้าต้องรู้ว่ายังอยากกินหรือเปล่าอยากกินถ้าอยากก็อยากกินแล้วเขาเล่าว่ามีเช้าวันหนึ่งต้องไปรออาหารเช้าอาหารเช้ายังไม่มาเจอซีเรียลกับนมพอกินเข้าไปแล้วแม่มันอร่อยวันต่อมาก็อยากกินย <laughs> อย่างนี้ก็ไม่ได้เขาหน้าก็อยากกินเขาหน้าก็อยากกินถ้าทําะไรแล้วมันอยากนี่มันจะติดนิสัยมันจะต้องกินไปเรื่อยๆต้องทําไปเรื่อยๆจะกินก็ต่อเมื่อไม่อยาก <laughs> อยากก็คือไม่กินถ้าอยากก็ให้มันเอาไปผสมกับกแกงอะไรก็ได้นะกินเดี๋ยวมันก็ต้องไปรวมกันในท้องนะอเอาไปผสมกับแกงผสมกับกาแฟผสมกับอะไรก็ได้ขนมโคกขนมเค้กอะผสมกันคนมันเข้าไปแล้วก็ตักกินเข้าไปในปากครับอาจารย์คะหนูหมนีเรื่องจะถามเอาว่า คนไทยยังเชื่อในเรื่องดวงโชคลาภอะไรอยู่หนูไปดูหมอมาค่ะแล้วทีนี้เขาบอกว่าพบคราวหนวูแบบจะล่มจมจะจะพบกับสิ่งที่ไม่ดีแต่ว่าหนูไปถามแฟนหนูว่าเขาได้ทำในเรื่องออทำแทง้งหรือว่าเคยเป็นในเรื่องที่แบบว่าไปทาให้ผู้หญิงท้องไหม เ, เขาบอกว่าไม่มีแต่หนูเชื่อแฟนหนูแต่หนูเก็บประทุกในเรื่องที่เขาทักมาค่ะ หนูยังทักอยู่หนูยังมีเรื่องคาใจอยู่ว่าทําไมเขามาทักแบบนั้นหนูก็เลยก็เป็นอาชีพของเขาไงเป็นอาชีพของเขาเพราะว่ามันเป็นความจริงอ่ะทุกคนต้องร่มจมหมดอ่ะมีมีทางไม่ร่มจมอ่ะก่อนมาก็ต้องตายเวลาตายมันก็ร่มจมเหมือนกันแล้วก็พูดถูกอ่ะเห็นแต่เราไม่ไม่อยากร่มจมเราก็เลยกลัวขึ้นมาเขาก็เลยหลอกเราค่ะว่ามีวิธีแก้ให้ไปทํำนู่นทํานี่ขึ้นมา เขาให้มีวิธีแก้ไปดูขมากระมังแหะถ้าทําแล้วมันจะได้หรอคะก็ไม่ได้อยู่ดีมันก็ล่มจมอยู่ดีอ่ก็หนูโง่เองอ่ะหนูไปถูกก็หลอกก็บอกให้พิจารณาคามตายแล้วก็เห็นว่าทุกอย่างทุกคนล่มจมเหมือนนะกรุงศรีอินสยาคนในกรุงศรีหายไปในหมดเลยมันก็ล่มจมในหมดทั้งนั้นพวกเราเดี๋ยวก็ล่มจมกันตายในหมดเมีสมบัติเงินทองกี่ร้อยล้านพันล้านมันก็เดี๋ยวมันก็หมดไป เรื่องธรรมดาแต่เราเป็นกิเลส ข, ของเราอยากจะไม่ล่มจมกันพอใครมาทักหน่อยก็ตื่นเต้นตกใจกลัวกันเหมือนก็ตายตื่นตัวมาพระเจ้าบอกใครพูดอะไรให้ใช้เหตุผลฟังด้วยเหตุด้วยผลพิจารณาดูว่าจริงหรือรไม่จริงเขาบอกเราจะล่มจมเ่าจริงเนี่ยต่อไปเราก็ต้องตายไม่ใช่หรอเวลาตายก็ล่มจมแน่ล่ะ อะไรจะมา ร, ร้ายแรงกว่าการตายใช่ไหมแล้วแก้ได้ไหมล่ะก็ แ, แก้ไม่ได้มีใครไม่ตายบ้างเราไม่มีปัญญาคิดเองพอเขาบอกแก้ได้ก็โหดีใจใหญ่เลยเหมือนแม่มีแม่คนหนึ่งมีลูกทารกเนี่ยเด็กออกมาได้ไม่กี่วันไม่กี่เดือนยังไม่รู้แล้วอยู่ๆก็ตายไปแม่ก็รักลูกไม่ยอมมาไปเผาไม่ยอมไปฝัง กอดลูกทั้งวันนอนร้องนั่งร้องหมร้องไห้ก่อนลูกอยู่ชาวบ้านเห็นเพื่อนบ้านเห็นก็สงสารก็เลยบอกว่าไปหาพระพุทธเจ้าเดี๋ยวท่านจะช่วยกายก็ดีใจคิดว่าพระพุทธเจ้าจะช่วยทําให้ลูกฟืน้นก็เลยอุ้มลูกไปอุ้มศพลูกไปกราบพระพุทธเจ้าแล้วบอกว่าเขาบอกว่าท่านจะช่วยให้ทําให้ลูกหนูฟืน้นพระเจ้าอ๋าองง่ายมากเดี๋ยวเธอไปห า, มาเมล็ด ประกาศมาให้สักกรรมมือหนึ่งแต่ต้องแปลอาเมเลเซกาศจากบ้านที่ไม่มีคนตายนะแกได้ยินแกนก็ดีใจรีบไปเลยรีบไปกลับไปหมู่บ้านไปเคาะประตูถามบ้านนู้นบ้านนี้ว่ามีเมเลเซี ก, กามั้มมีมีคนตายั้ยมมีบ้านไหนก็มีคนตายนะไม่ปู่ย่าก็ตายยายไม่พี่กับน้องไปเคาะทุกบ้านก็เจอคำตอบเดียวกัน ก็เลยได้สติกลับมาว่าอ๋อความตายนี้มันมีอยู่ทุกแห่งทุกคนกับทุกคนก็เลยหายเศร้าโศกยอมรับความจริงไม่ต้องกลับไปหาพระพุทธเจ้าเอาลูกไปฝังนี่หมอดูเนี่ยของพุทธเจ้าเนี่ยของแท้แต่ถ้าไม่บอกตรงๆบอกตรงๆก็ไม่เชื่อไงถ้าให้ไปเห็นกับตาถ้าบอกว่าเออเดี๋ยว เป็นเรื่องธรรมดาเกิดมาแล้วทุกคนต้องตายเขาก็ไม่เชื่ออ่ะทาไมต้องมาตายทำไมรูกเราต้องตายทําไมคนไม่ตายเขาต้องไปให้ไปถามบ้านทุกบ้านเลยก็จะรวมมีคนตายทุกบ้านกระายอย่างเพราะเราไม่พิจารณาความตายกันพออะไรเข้ามากระทบหน่อยก็หวั่นไหวกันแล้ว เดี๋ยวก็มีหมอดูออกวันเดี๋ยววันวันนั้นเดือนนี้โลกจะโลกจะโลกจะระเบิดเนี่ยตื่นเต้นกันไปใหญ่เลยแล้วมันผ่านมันมีอะไรไหมมันไม่มีทำมันไม่ดูอ่ะเนี่ยตอนเนี้ยในโลกนี้ยมีคนตายทุกวินาทีเนี่ยเชื่อไหมขณะที่เรานั่งอย่างนี่ยทุกวินาทีเนี้มีคนตายอยู่ทุกวินาทีแล้วก็มีคนเกิดทุกวินาทีเลย มันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกเรามีโลกของการเกิดแก่เจ็บตายไม่มีทุกเวลาเลยทุกอย่างเลยทุกวินาทีเนี่ยมีคนแก่มีคนเจ็บมีคนตายแต่เราไม่มองกันแล้วแล้ก็เลยอยากจะไม่ให้มันเกิดขึ้นทํามันมันไปอยากวันนี้ทําไมอยากไปแล้วมันทุกข์ไปบ่่่่่่่า่ <Yeah. S 1> าไไ่่่่่่น่ป่่่่ไ่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่ร่่่่่่่่่่่่่น่่่่ว่่เราเ่่เ่่่่่่่ว่ ย่อมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาร่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายกันไม่ได้ให้คิดอย่างนี้อยู่บ่อยๆจะได้ไม่ลืมพอเราไม่คิดปั๊บเราจะลืมทันทีอยากคิดว่าทุกขณะเวลาเนี่ยมีคนตายทุกเวลามีคนแก่ทุกเวลามีคนเจ็บทุกเวลาโรงพยาบาลมันถึงขายดิบขายดียังไงคนถึงอยากจะเป็นหมอกันนะเพราะเป็นหมอเราไม่ต่องานอ่ะ มีคนไข้มาให้รักษาอยู่ตลอดเลานะพวกขายอาหารเสริมก็ขายกันใหญ่เพราะคนไม่อยากจะแก่กันนะพิจารณาแล้วตอบไปจะไม่หวั่นไหวจะไม่วิตกไม่ตื่นเต้น <c oughs> อันนี้พอมีข่าวว่าคนนั้นตายหน่อยพาดหน้าหนึ่งเลย อ่าร้่นกันก็มันตายกันอยู่ทุกวันทุกวินาทีอยู่แล้วแต่พอข่าวคนนี้เดี๋ยวคนคนนั้นตายเนี่ยพลาดด้าหนึ่งขึ้นมายังเงีคนนั้นจะไม่ตายอย่างเงี้ยอยู่ๆก็ตายขึ้นมาเพราะไม่พิจารณากันเนี่ยเนี่ยเขถึงเขถึงพลาดหัวข่าวได้เพราะแสดงว่าคนที่ซื้อหนังสือฟิล์มนี่ส่วนใหญ่ไม่ได้พิจารณาความตายกันเลย เพียงพอเห็นข่าวความตายนี่ตึกนเ้นซื้อหนังสือพิมพ์มาอ่านกันใหญ่หนังสือพิมพ์มันขายดีเพราะคนไม่พิจารณาความตายกันถ้าทุกคนพิจารณาความตายแล้วไปพลาดหัวข่าวมันจะมีใครไปสนใจใช่ไหมต้องพิจารณาถ้าเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆจนไม่ลืมนั่นมันจะเฉยๆมันจะยอมรับได้ แล้วมันก็จะทำให้กิเลสตัณหาของเรานี่ลดน้อยลงไปเยอะเลยไม่เชื่อลองถ้าต่อไปเวลาไม่สบายไปหาหมอแล้วหมอบอกเป็นมะเร็งเนี่ยอยู่ได้สามเดือนเนี่ยยังอยากจะได้อะไรไหมยังอยากจะทำอะไรไหมไม่อยากได้อะไรแล้วลหละอยากจะทำใจอย่างเดียวทำใจยังไงให้มันสงบไม่ให้มันทุกข์เนี่ยเทพซีดีที่มาแจากเนี่ยชุดเตรียมพร้อมเนี่ยก็มียมผู้หญิงคนหนึง่งก็เป็นอย่างนี้ ไปหาหมอหมอบอกเป็นมันเรงในในเลือดหรือในกระดูกทันหลังก็ไม่รู้อ แ, แต่หมอบอกว่ารักษาไม่ได้นะเหลือเวลาหกเดือนเลยก็เลยคิดว่าต้องไปเข้าวัดแล้วก็เไปกราบขอหลองตาเนี่ยแหละไปอยู่กับน้องตาให้น้องตาสอนวิธีทําใจให้สงบไม่ให้ทุกกับความตายหลวงตาท่านก็เมตตาลงไปสอนทุกคืนเลย สอวิธีทําใจให้สงบสอนวิธีให้พิจารณาความจริงส mm hmm. อนให้รู้จักทําใจให้เฉยๆอย่าไปอยากให้มันไม่ตาย mm hmm. พอหยุดความอยากไม่ตายแล้ ว, ลวก็จะไม่ทุกข์กับความตาย mm hmm. เนี่ ย, ยชุดเตรียมพร้อมเนี่ยมันมันตั้งชื่อใหอ้ว่าชุดเตรียมพร้อมเตรียมตา ย, ย, ยโลกเราทุกคนต้องตายกันทำไมเราไม่เตรียมตัวกัน ใช่ไหมต้องเตรียมพร้อมแล้องพิจารณาความตายอยู่เรื่อยๆแล้วถ้ามันยังทุกข์อยู่ก็ต้องหาวิธีหยุดมันให้ได้เพราะความตัวความทุกข์ที่ความกลัวความตายนี่เราหยุดมันได้แต่ความตายเราหยุดมันไม่ได้แต่ความทุกข์เกิดจากความตายนี่มันดับได้เพราะเกิดจากความอยากไม่ตายความอยากไม่ตายนี่เป็นเหมือนกับเป็นเชื้อโรคต้องทําลายมัน เพราะมันไม่เป็นคุณกับจิตใจมันเป็นโทษกับจิตใจถ้าอยากตายแล้วมันจนเป็นประโยชน์กว่าแต่อยากตายก็ไม่ดีนะถ้ายังไม่ตายถ้าอยากตายก็ไม่ดีนะ ต, ต, ดต้องยอมตายยอมตายเมื่อถึงเวลาตายก็ยินดีที่จะตายเมื่อยังไม่ถึงเวลาตายก็อยู่ไปอย่าไปอยากตายคนบางคนเป็นโรคมะเร็งกลัวจะเจ็บก็เลยอยากจะตายซะก่อนข้างนี้อันนี้ก็ผิดอีก ถ้ายังไม่ตายก็ต้องอยู่ต่อไปอยู่ได้ไม่จะไม่ทุกข์ถ้ารู้จักวิธีหยุดความอยากอยากไม่ตายหรืออยากตายได้มันจะไม่ทุกข์ถ้าอยากตายก็ทุกข์ไม่อยากตายก็ทุกข์ต้องเฉยเฉยต้องอยู่ระหว่างความอยากตายกับความไม่อยากตายจะ <S S 2> เฉยเฉยได้ก็ต้องมีสมาธิจิตต้องรวมถ้าจิตรวมเนี่ยมันเฉยเลย จะทําให้มันเฉยได้ก็ต้องมีพุโทโธมีสติคอยควบคุมใจอย่าให้ลอยไปลอยมาอย่าให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับเรื่องเดียวทั้งวันเนี่ยพุโทโธไปทั้งวันได้ใจจะเย็นใจจะนิ่งใจจะสบายถ้าพุโทโธไม่ได้ก็ใช้ดูร่างกายก็ได้เฝ้าดูร่างกายไปร่างกายกําลังทําอะไรอยู่ก็ให้อยู่กับการกระทําของร่างกายอย่าทำสองอย่าง ร่างกายทําอย่างใจก็ไปคิดอีกอย่างนึงอย่างนี้เรียกว่าใจลอยต้องดึงใจให้อยู่กับร่างกายแล้วมันจะเฉยต่อไปมันจะเฉยได้เวลานั่งสมาธิมันจะรวมได้ถ้าใจมันอยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับลมอย่างเดียวอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวไม่นานห้านาทีสิบนาทีมันก็รวมได้แล้วรวมบ่อยๆต่อไปมันก็จะมันก็จะ ออกมามันก็จะเฉยได้ถ้าไม่เฉยก็กลับเข้าไปในสมาธิใหม่หรือถ้าไม่เฉยก็ใช้ปัญญาก็ได้สอนใจไม่ให้อยากพอไม่อยากมันก็จะเฉยที่มันไม่เฉยเพราะมันอยากนั่งอยู่อย่างี้พอคิดถึงขนมนี่มันเฉยไม่ได้ละมันอยากจะไปกินขนมละแต่ถ้าไม่คิดถึงขนมมันก็จะไม่อยากถ้าจะคิดถึงขนมก็คิดถึงตอนที่มันออกมาจาก ทวานทวานหนักดูเหมือนก็จะไม่อยากกินเขออ้าใจไหมต้องมีวิธีแก้นี่เรียกว่าปัญญาปัญญานี่มันค่อนข้างที่จะพิสดารหน่อยปัญญานี่มันไม่ได้ดูของที่ชาวบ้านเขาชอบดูกันะต้องดูของที่ชาวบ้านไม่ชอบดูกันมันถึงจะหยุดความอยากได้เขออ้าใจไหม อยากจะมีแฟนก็ต้องดูตับตายไส่ภูมิของแฟนมันก็จะไม่อยากมีแฟนอยากจะกินขนมกินอาหารก็นึกถึงตอนที่มันออกมาจากทวารหนักเดูมันก็จะได้ไม่อยากกินเนี่ยเรื่องปัญญาเป็นอย่างนี้อยากอยู่ก็ต้องคิดถึงความตายอยู่เรื่อยๆมันจะได้ไม่อยากอยู่อยากไม่เจ็บก็ต้องคิดถึงความเจ็บอยู่เรื่อยๆเนต้องนั่งให้มันเจ็บอยู่เรื่อยๆให้มันชินกับความเจ็บ แล้วต่อไปมันก็จะไม่กลัวความเจ็บอาจารย์นะมีใครอยากจะถามอะไรไหมถามว่าม า, มาไม่มีแล้วอาจารย์ <c oughs> อยตอนนี้ยยมเริ่มอดอาหารทีนี้ว่าคือเราอดไปเรื่อยๆจนกว่าเรารู้สึกลร่างกายเราไม่ไหวแล้วก็หยุดอย่างนี้ใช่ไหมค อการอดอาหารนี่มันเป็นเป็นเครื่องมืออดอาหารแล้วไม่ได้ภาวนาก็อย่าไปอดไม่เกิดประโยชน์นอกจากต้องการจะลดน้ำหนักก็อดได้ oh <my> แต่ถ้าอ ด, อดอาหารนี่มันเพื่อกระตุ้นให้เราขยันนั่งสมาธิเพราเวลาเราอดอาหารใจมันจะหิวมากกว่าร่างกาย hmm. แล้ววิธีจะแก้ความหิวของใจก็ต้องทำใจให้สงบ <Okay. S 1> มันก็จะบังคาให้เราต้องนั่งสมาธิบ่อยๆแล้ว ถ้าไม่นั่งเดี๋ยวมันจะคิดถึงอาหารแล้วมันก็จะหิวถ้าจะคิดถึงอาหารก็ต้องคิดถึงเวลาที่มันออกมาหรือเวลาที่มันอยู่ในปาก <Okay. S 2> หรือเวลาที่อยู่ในท้องอเวลาอาเจียนออกมามันยังน่ากินไหม mm hmm. เวลามันอยู่ในปากเราทุยลราบ้วนมันออกมาแล้วเราตักเข้าไปตัดไปกินใหม่ได้ไหมไม่ได mm ้ hmm. อ่านั่นแหละได้คิดถึงรูปรูปร่างลักษณะของมันเวลาอยู่ในปากอยู่ในท้องหรือเวลาอยู่ในโถส้วมเนี mm ้ย hmm. มันก็เป็นอาหารนั้นนี่แหละใช่ค่ะงั้นเวลาที่แต่ถ้าเวลาเรานั่งสมาธิแล้วท้องมันรอนแล้วนัมายความก็ช่างมันแต่ถ้าเราแบบมัวว่าเรากลัวว่ามันจะปวยนั่นเป็นเพราะว่าเรายังมีความอยากยังมีความกลัวใช่เกิดดูตัวอย่างของคนที่เขาอดกันมาเยอะๆพระพุทธเจ้าวอดต้องสี่สบเก้าวันก็ไม่เนเป็นอะไรครูบาอาจารย์ต่างๆนี่ถ้าเขาอดกันทีละห้าวันเจ็ดวันมา กิเลนเรามันชอบหลอกเราไงก็ให้มันเป็นก่อนยังไม่ทันเป็นเลยก็ไปกลัวมันละให้มันเป็นก่อนมันไม่เป็นหรอกนอกจากมันอดมากเกินไปจริงๆอาจจะเป็นได้อย่างหลวงตาท่านเล่าว่าท่านเคยอดบ่อยๆอดมากๆมันอดจนกรท่ท้องมันเสียคือมันจะไม่ย่อยกินอาหารเข้าไปยังไงมันจะทายออกมาอย่างนั้นอันนั้น แต่ย่งนันก็มากเกินไปก็ต้องระวังถ้าอดทีละสามวันห้าวันนี่ไม่มีปัญหาหรอกอดสามวันห้าวันแล้วก็ออกมากินสักวันหนึ่งแล้ว ก, กลับไปใหม่ก็อบใหม่อันก็จะช่วยให้เราภาวนาได้ดีขยนันค่ะขยันภาวนาเพราะถ้าเรากินแล้วมันจะอยากจะนอนแเวลากินอิ่มใหม่ๆนี่อยากจะหาหมอนอะ <c oughs> แต่ถ้าไม่ได้กินนี่ มันจะไม่ง่วมันจะเดินเดินจงกรมก็ตัวบางนั่งสมาธิก็ตัวตรงไม่งอไม่งอิดเดี๋ยวจะให้พรนะจะกลับกคณะบางคนก็จะอยู่ตาก็ได้นะยะท้าวาเรวะหาปุราปปริปุระินติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินงังเปตานาังอุ ป, ปกาปฏิ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 อาพิวาานัสสีฤิธานิจังวุฒาปจายโนจัตารโธรมาวัาติอายุวนาาันโนสุขังภาลัานี้ตามอาจารย์จากเซสบุ๊กเหรอรู้สึกว่า สะดวกมากแต่ไต้องมาเแต่ว so. so ่าได้มาฟังก็จะจะต่างจากในฟสวร์ได้ก็อย่างเงาถามอะไรก็าได้ดก็ดีมาบ้านก็ดีมาไม่ได้ก็สทมีเมื่อวันก่อนได้ดูในเฟสฟังธรรมะที่ท่านที่เกิดม่าจากวัตานะเร่มดีน่ พระองนั้นท่านเป็นชาว ม, มาเลเซียลูกครึ่งมาเลเซียไทยเพราะท่านศรพนธ์เพราท่านเป็นเศรษฐีหมาเศรษฐีที่มาเลเซียท่านก็ทั้งใจปฏิบัติใจท่านพูดฟังชัดเจนมากเลยจ้ะขินเ น, นีนนนรนเรมวิ่งหน่ ก้าคุยกับพระก็ต้องเรื่ดดงองวินัยเรื่องตุ่ดองภาวันเป็นหลักพราะเป็นพื้นฐานที่จะสนับสนุนในการภาวนาแต่ก็ต้องมีทั้ง3ามอย่างต้องมีวินยัยมีการภาวนามีตุ่ ด, ดงภาวันอย่างกาับหล้งท่านกับพระท่านจะคอยต้อนให้เข้าทางจงกรมให้เป็นติดไปเั่มสมาธิกันถ้าออมันเดินเพ่นพ่านทํานูน่นทํานี่เหล๋ยวท่านก็จะไล่ ถ้าไล่บ่อยๆก็จะให้ออกจากวัดไปเลยแสดงว่าไม่สนใจเข้ามาแนละ้อาจารย์บางทีไม่รู้ว่าตัวเองกําลังอยากจะทําไปตามก็ อ, อยากปฏิบัติทำมาได้แต่ขณะที่ปฏิบัติอย่าไปสนใจกับความอยากให้สนใจกับงานที่เราต้องทําในตอนนั้นถ้าต้องเจริญสติก็เจริญสติไปก็ต้องพิจารณาก็พิจารณาไปแต่อย่าไปอยากให้มันเกิดผลในขณะที่เราทํา ผลมันจะเกิดจากการที่เราเจริญเหตุถ้าเรามีสติจิตก็จะรวมได้ถ้าเราพิจารณาตายแล้เราก็จะเราก็จะละตัณหาได้จะอย่าไปอยากได้ขณะที่ทําแต่ก่อนจะทํานี่อยากได้เตอนนี้อยู่ที่นี่อยู่บ้านอยากจะไปอยู่วัดภาวนาเนี้ยอยากนี่อยากได้แต่พอไปถึงที่นั่นแล้วก็หยุดความอยากอยากได้นี่อยากได้นี่แล้วต้องภาวนาอย่างเดียวแล้วผลมันก็จะเกิดขึ้นมาเอง ไม่ใช่ไปนั่งสมาธิสองนาทีแล้วอยากจะให้มันสงบไม่สงบก็เลยวุ่นวายใจอย่างอันนี้ไม่ได้แล้วหยุดแล้วยังไม่สงบก็พูดโทรต่อไปภาวนาต่อไปจนกว่ามันจะสงบพอไม่สงบอยากให้มันสงบไม่สงบก็เครียดท้อแท้ดุร้าะมันก็เลยหมดท่าหมดแรงไปเลยเพราะมันไม่ทำมันมานั่งแต่อยากแล้วพอไม่ได้ก็ หมดกำลังใจอย่าไปสนใจกับความอยากเวลาเราภาวนาให้สนใจกับการเจริญสติเจริญปัญญาสองตัวนี้เป็นตัวที่จะทําให้เกิดผลต่างๆขึ้นมาถ้าไม่เจริญสติก็พิจารณาตายรักไปอย่างไงเอายางได้อย่างนี้พิจารณาร่างกายอาสุภะอาการสาสองให้มันอยู่อย่างนี้พิจารณาไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็มันก็รวมเองมันก็ต้องสงบเองปัญหามันก็ล้อมกาเยเอ แต่แค่นั่งแล้วก็นั่งอยากนั่งแล้วก็นั่งนั่งได้สองนาทีแล้วก็อยากให้มันเป็นได้ผลพอไม่ได้ก็ทอ้อแท้เบื่อหน่างนี้ก็ไม่มีวันจะไปไปถึงไหนได้อย่าไปสนใจกับผลให้สนใจกับเหตุเพราะผลมันตามจากเหตุมันไม่ได้ผลไม่ได้มันมาจากผลไม่ได้ตามอมันไม่ได้มาทำให้มันมันเป็นต่อนเหตุมันมาตามตามเหตุถ้าไม่มีเหตุมันก็ไม่มีผล มันไม่มันไม่มาตามความอยากก็จะอยากจนตายมันก็ไม่ได้ผลเหตุทำมห้สองตัวไม่สติก็ปัญญาเนี่ยสติก็พุโทโธพุโทโธหรือมีอะไรเข้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายตัวนี้ปัญญาก็พิจารณาทุกอย่างเป็นายรักหสองอย่างเนี้ทําให้จิตสงบได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ สติปัญญาก็ปัญญาอบรมสมาธิสติก็สติอบรมสมาธิเหมือนกันเหมือนกันได้เอาถนัดอย่างไหนชอบอย่างไหนก็ใช่อย่างนั้นไปเรียกทั้งค่ายอย่างการที่เราเข้าดูนะเขาก็สมมติเราเดินเราควรจะจับตรงจุดที่เราลงหรือตรงไหนก็ได้ใช่ไหมใมันมีที่จับใช่ไหมให้มันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยากเวลาสมมุติเรา อ, าาอะไรมัน ที่ี้บางทีเราต้องการความมั่นเล็กงั้นเราก็จับไปตามที่เรามันจะเร็วไงใจเร็วกว่ามันเยอะแยะใจตามมันทันมันแปลงฟันก็อยู่กับการแปลงฟันมันทําอะไรก็อยู่กับมันตลอดเวลาอยู่กับเรื่องเดียวเรื่องที่เรากำลังทําอยู่ไม่ไปที่อื่นถ้ามันไปก็ใช้พุดโทรเดินกลับมาก็ได้คนจับที่มือหรือมันจะจับที่ที่ไปสัมผัสที่ไหนก็ได้ขอให้มันอยู่ที่นั่นไม่ให้มันไปไหน แล้วมันอยู่กับร่างกายมันจะเป็นปัจจุบันถ้ามันเป็นปัจจุบันแล้วมันจะมันจะนิ่งถ้ามันไปอดีตไปอนาคตมันจะไม่นิ่งมันจะกว่ายอดีตปัจจุบันอดีตอนาคตปัจจุบันมันอยู่ตรงกลางจิตมันจะสงบมันจะนิ่งมันต้องอยู่ตรงกลางต้องอยู่ปัจจุบันเราต้องใช้วิธีอุบายของสติไม่ใช่อุบายของปัญญา ใช้โอกาสของปัญญามันก็จะอยู่องการแล้วมันก็จะหยุดความอยากด้วยความอยากไปอดีตนะันอนาคตก็จะถูกตัดไปนะเนี่ยขอให้รู้ว่าเหตุว่าเหตุสองตัวเนี่คือเป็นตัวที่จะทําให้เกิดผลต่างๆที่เราต้องการขึ้นมาในเวลาปฏิบัติอย่าไปอยากให้มันได้ผลอย่างนั้นอย่างนี้ผลอย่านี้อย่าไปสนใจเลยให้สนใจอยู่กับเหตุสองตัวเนี้่เรามีสติรึ้ปต่างเรามีปัญญารู้เ่า ถ้ามีสติเนี่ยห้านาทีก็สงบได้ถ้ามีปัญญานี่เป็นโสดาบันได้นะ้ว น, นี้จังทุกข์ันธ์นาตาขันห้าคื อ, อ น, นี้จังทุกข์งันธ์หนาตาแล้วแค่นี้เองแล้วยัมีอะไรมีปัญญาแต่ถ้าข่อยไม่ได้ก็แสดงว่า ไม่มีสมาธิก็ต้องทำสมาธิก่อนไม่มีกำลังรู้ว่าเนี่ยร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ก็ยังหยุดความใหญ่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้เพราะไม่มีกำลังหยุดเพาต้องใช้สติหยุดใจให้ม็ น, มนวรวมพอใจรวมแล้วมันจะมีกำลังหยุดเาเข้ามาเลยอยากเข้ามาของหนักช่วยวางไม่ทํารื่อะไรก็ได้นะแต่ไหว หลงตั้งนานหลวงพ่อมาตา้งหลายผมก็ยังหลงไม่ได้ไม่มี ส, <c oughs> สติสตังก็ไม่ค่อยจะทำได้ค่ะน้ำน้ำผมเอารางไม่ได้รางเพราะว่ามันมีมันจะมีอายุถ้า ร, รับแล้วมันต้องใช้ภายใน7วันหลวพ่อรู้มีคำถามได้ไหมครับเอาเลยถาม <c oughs> คือตอนเนี้ ค, นคือมีหลวงพ่อองค์นึงลูกศรัทธาท่านป่วยค่ะแล้วลูกสวด ช่องข้าวป ร, รอ่งอยางรูประสวดให้ท่า น, า น, ไ, นได้ไหมคะสวดได้นะไม่หายหรอก <c oughs> อยาสวดแล้วเราจะสบายใจท่านั่นเองก <c oughs> ารสวดนี้เพื่อให้เราสบายใจไม่ใช่เพื่อให้ท่านหายเ <c oughs> ขาะอย่าบเพราะ <c oughs> ว่าร่างกายมันไม่ได้มันต้องยามต้องหมอไม่ใช่ต้องการสวดถ้าสวดได้เงี้ยไม่ต้องมีหมอไม่ต้องมียาเลย <c oughs> เวลาใครเป็นอะไรก็ส่งมาที่วัดเนี่ยให้ท้สวดไ้นั้นไม่ได้หรอกรูปฟังเรื่องราพุธการนะะ เรื่องสมัยพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าให้พระกัสสปะสวดให้พระอนนท์เนี่ยเรื่องพุทา่างกายไม่ได้หายหล้วใจมันใจมันหมดกําลังเลยพอได้ฟังธรรมะเหมือนกับเหมือนกับดอกไม้ได้น้ํางพอลดน้ํามันหน่อยมันก็มันก็สดชื่นขึ้นมาเบกบานขึ้นมาพอใจมีกําลังร่างกายนี่มันก็ใจสามารถสั่งให้มันลุกได้ที่มันร่างกายมันลุกไม่ได้เพราะใจไม่ไม่สั่งให้มันลุกใจมันไม่มีกําลังที่จะสั่ง พอพระพุทธเจ้าแสดงพูดชงปั๊บมันก็เกิดพลังจิตขึ้นมามพลังจิตก็เลยพอมีพลังก็เลยสั่งให้มันลุกอย่างคนบางคนเนี่ยเวลาไฟไหม้เนี่ยบางทีตุ่มใบแ ล, ล้มยังแบกได้เลยเพราะดังนั้นมีพลังขึ้นมาช่วงแม่ตายค่ะหลวงพ่อหลว ง, งพ่อท่านบอกว่าขณะที่แม่สิ้นใจค่ะให้สวดพูดชงคาปริไปเลยเพราะมันมําไปสวดได้เ ส, สียเวลา ต้องแม่ต้องสวดเองอะคนจะไปเนี่ยต้องสวดจะได้ไปดีเ mm hmm. ข้าใจไหม mm hmm. คนอื่นไม่เกี่ยวแล้วตัวใครตัวมันแล้ว mm hmm. อัตตาหิอัตโนนาโธเ mm hmm. ข้าใจไหม mm hmm. อย่างหลวงตาบอกว่าเวลาตายแล้วอย่าไปสวดกุศลามันไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าจะเกิดประโยชน์ต้องสวดตอนที่เรายังไม่ตายเนี่ยหัดสวดไปตอนเนี้ยเพราะเวลาตายเราจะได้ใช้การสวดนี้พาเราไปสวรรค์ได้ ไม่ใช่คนอื่นมาสวดให้เราพ่อใหญ่ไหยังลูกสวดได้ก่อนสิ้นใจลูกก็อหนูก็ไปสวรรค์ได้ถ้าหนูโวยวายเออตกใจก็ไปนรก น, นู่นแต่ลูกเคยตกใจแล้วใจมันไม่ไม่ไปทางนู้นนะใจไปนึกถึงเทวดาช่วยด้วยอะไรเงี้ยก็ยังไม่ดีมันช่วยด้วยก็ยังสแสดงว่าไม่สงบนะคะพอดีลูกสาวตกจากรถ อ, อะแล้วลูกตกใจเทวดาช่วยด้วยอะไรเงี้ยไม่ได้นึกถึง <l ots> อ่า อ, อ่อนั่นแหละพราะไม่ได้ฝึกไวไงไม่หัดสวดไว้ตั้งแต่ตอนนี้เดี๋ยวพอถึงเวลามันนักงมวยไม่ซ้อมชค พ, พอขึ้นเวทีก็โดนเขหมัดเดียวก็ล้มแล้ว่ะหลวงพ่อคะอการศัตรคนที่ศรัทธาผู้ศาสนาคะ่ะพ่อแม่ไม่ศรัทธาแต่ลูกศรัทธาแล้วพ่อแม่ไม่ให้ลูกบวชนะค่ะแล้วลูกหนีไปหายสาบศูนไปอลไรอย่าเงี่ยค่ะอแล้วต่อมาเนี่ยพ่อแม่ได้ตายไปค่ะแล้วไปที่โย ม, มาบาล น, นะอันนี้เป็นเรื่องเล่าของ ท่านมีสูโอกุหลวงพ่อเคยได้ยินไหมคะ อ, อ, อันนี้ว่ามันอยู่ในใจของลูกแลลูกอยากถามว่าความศรัทธาพุทธศาสนานสามารถช่วยพ่อแม่ที่ลรองรับไปแล้วได้ไหมคะ <c oughs> คือเปี้ยงไปแล้วโยมมาทูดเปี้ยงยังไงดอกบัวก็ขึ้นมารับเปี้ยงยังไงดอกบัวก็ขึ้นมารับเนี่ย่ะท่านก็เลยเปิดเปิดบัญชีดูอ่ะสงคนเนี้ยไม่ได้ทําบุญอะไรมาเลยศรัทธาพุทธศาสนาก็ไม่มี <c oughs> ทําไมดอกบัวถึงขึ้นมารับ <c oughs> แล้วก็มีไปก็รู้ว่าลูกของเขา่ไปบวชศรัทธาพุทธศาสนามากตรงเนี้ยสามารถ ช่วยได้ไหมคะแล้วช่วยได้ป่ะที่เขาเล่าเนี่คือคือลูกบวชนะคะนั่นเสร็จแล้วเราช่วยพ่อแม่ให้ออกมาได้ไหมป่ะดอกบัวขึ้นมารับค่ะดอกบัวไม่นันนั่นเห็นมันดอกบัวมันไม่ใช่พ่อแม่เขาไม่ใช่เนี่ยไม่ให้ตกกระลกอะค่ะไม่ให้ตกนาลกอย่างเงี้ยไม่ได้หรอกกรรมใครกรรมมันโอ้งั้นถ้างั้นก็ท่านที่ท่านเล่าก็เป็นเรื่องไม่ให้เราทําบาปใช่ไหมคะ แพ็เป็นกุศโลบายเอให้เรามีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเราศรัทธาเราจะได้ทําตามคํสาอสอนทําตามคำสอนแี่จะพาเราไปสวรรค์ไม่ไปนรกเพราะคําคสอนที่เจ้าบอกให้ทําบุญละบะากรคุณพ่อคะอย่างใจลูก่าศรัทธาพุทธศาสนาแต่ไม่อยากเป็นมคกายกว่าลูกจะคือมคขายกไปว่าอะไรคือเวลาเขาทาบุญบ้านเนี้ยแล้วลูกก็ต้องไปไป แค่แรกไนสวดนำก็ใจลูกไหน่ะอไม่อยากทํำก็ไม่ต้องทำเนี่ยเพราะว่าลูกเป็นผู้หญิงนะหลวงพ่อคือใจรูกคิดว่าพระท่านมองมาเนี้ยอไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยเป็นลูกเป็นผู้หญิงลูกเป็นมรรคทายกไม่ดีใช่ไหมยรับไม่จริงอ่ะอย่างวัดยาเนี่เราให้แม่ชีเป็นมรรคทายกเเพราะไม่มีผู้ชายเนี่ยสมัยนี้ผู้ชายมันไม่ทํามหากริมแล้วไม่มีเวลามาวัดเลย ก็เลยต้องอาศัยคนที่อยู่วัดคนที่อยู่วัดประจําทุกวันก็มีแม่ชีถามว่าลูกศรัทธาลูกเต็มใจไหมลูกเต็มใจค่ะเห็นไหนแมแม่ชีตอนเชา้าที่มาศาลาทางบนแล้วแม่ชีก็ไปมัด ก, กระถายยกเวใหเสียหายตรงหนแล้วก็อยู่ที่หญิงก็อยู่ที่ชายเหมือนกับสมัยเนี่ยเวลามีมีชาวต่างประเทศเข้ามาเที่ยวเมืองถทยเนี่ก็มีไกด์มาด้วยมั้งไงไกด์ต้องเป็นผู้ชายอย่างเดียวเ่ะอืเป็นผู้หญิงก็ได้เป็นผู้ชายก็ได้อย่าให้เป็นคนตาบอดเท่ า, น, ทา น, นั้นะ เอ อ, เ อ, อถ้าเป็นมรรคทายกก็ต้องสวดให้มันถูกไม่ใช่สวดผิดแล้วก็พาเขาผิดกันไปหมด <c oughs> คือทีแรกลูกอาณาตนาสินที่วัดให้เขาถวายสังฆทานออตอนนี้ลูกกลายเป็นมรรคทายกไปอีกแล้วเนี้ยก็ดีได้บุญเนี่ยได้บุญอเออไบุญพาคนพาคนไปสวรรค์เนี่ยจะเสียหายตรงไห น, นคนรักษาศีลได้ก็ไปสวรรค์ได้มเปิดประตูบ่ายถ้ารักษาศีลได้ก็ไม่ต้องสสไปเกิดในบาย ได้บุญเยอะแยะอะไรเนี่ยเหมือนพวกไกด์เนี่ยที่พาคนมาเที่ยวเนี่ยดีไม่ดีคนที่เที่ยวที่มีไกด์กับคนที่ไม่มีไกด์อันไหนดีกว่ากันมีไกดีกว่า<ะ>เราเป็นไกด์ไม่ดีเหรอ รูปเป็นผู้หญิงอ่ะลูกไม่ใครจะกล้าไม่เห็นเกี่ยวกันตรงไหนลูกมองไปเวลาลูกสวดเสร็จแล้วท่านมองด้วยเราด้วยสายตาที่ยิ้มมากเราเรารู้สึกว่าเราก็ภูมิใจนี่ก็ดีท่านนุโมทนาท่านยิ้มท่านก็แปลกใจว่าทําไมผู้หญิงมาเพราะสมัยนี้ผู้ชายไม่เข้าวัดกันเนี่ยออถ้าเข้าวัดก็บวชกันมีแต่ผู้หญิงบวชไม่ได้ก็เลยเข้าวัดหลวงพ่อคะให้เราทําบุญขนาดไหนอ่ะ เนี่ยยังรู้ไงทําบุญขนาดไหนถ้าเราไม่ไม่ไม่ถึงขั้นโสดาบันยังไงเราก็ยังมีสิทธิ์ที่จะไป อ, อบายภูมิใช่ไหมคะแล้ว <laughs> แล้วอย่างเงี้ยเราต้องต้องต้องรู้ไหมครับหลวงพ่อว่าเราจะทํำยังไงถึงจะบรรลุไปในโสดาบันเนี่ยก็คือโสดาบันนี่ต้องเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเห็นเหมือนกับเป็นร่างกายของคนนี้ถ้าร่างกายของคนนี้เป็นอะไรคุณเดือดร้อนีหม ไม่เดือดร้อนก็ต้องก็ต้องมองเห็นร่างการนี้ว่ามันเป็นแล้วก็ไม่ไปเดือดร้อนกันมันทำได้ไหมไม่เดือดร้อนกันมันมันปวดท้องก็ไม่เดือดร้อนมันปวดหัวก็ไม่เดือดร้อนอ่ก็หัดทำให้มันได้เลยพยายามมองว่าไม่มันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นตัวของเขามันก็เป็นของเขาเวลาเขาปวดท้องเราเดือดร้อนแทนเขาไหยไม่ไม่เดือดร้อนอก็หัดทําอย่างงั้นอย่าไปเดือดร้อน เวลามันจะตายก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนก็นจะเป็นสวัสดาดบาลได้แค่เราไม่เดือดร้อนในความตายความเจ็บในความเจ็บของรางกายของเราเองคนอื่นไม่เกี่ยวถ้าของเราทำได้คนอื่นนี่สบายใหญ่เราจะไปเดือดร้อนทำไมนะเมื่อตัวเราไม่เดือดร้อนคนเราจะไปเดือดร้อนไงไ<อ>ลูกเราก็เราก็จะไม่เดือดร้อนพ่อแม่เราเราก็จะไม่เดือดร้อน ทำได้ไหมนะหัดจะทำดูก็พยายามหลวงพ่อครับตอนนั้นลูกไปลองหัดหัดอดข้าวดูก่อนก็ได้ดูว่าจะเดือดร้อนอันนี้หมออันนี้เยอะเลยค่ะหมอก็บอกให้ลดน้ำหนักแล้วลองอดข้าวเย็นก่อนกินแค่สองมือดูหลวงพ่จะเดือดร้อนหมหลวพ่อค้าลูกเคยไปทอผป่าค่ะพอดีวันนั้นกุติเล็กแบบนี้ค่ะศาลาเล็กแบบนี้ค่ะ แล้วคนอยู่เยอะมากตอนนั้นลูกรู้สึกว่าลูกปวดมากเลยคนะ่ะปวดขาทนไม่ไหวแล้วน้ำตาก็ไหลจะทํำยังไงดีคือลูกอดทนเพราะว่ามีอะไรนะ อ, อปตอ อ, อปจออะไรเงี้ยเยอะลูกก็ไม่กล้าที่จะลูกลกไปนั่งแบบเนี้ยปวดปวดเหลือเกินอนะไเงี้ยแต่ลูกไม่ได้ท่องบุตโธลูกท่องว่าปวดหนอปวดนอ้อยอย่างเงี้ยแล้วสักพักหนึ่งภูมเนี่ยหายปวดไปเล ย, ยนี่เขาเรียกวิปัสสนาไหมคะไม่หรอกเรียกเรียกสมถะสมาธิ ถวิปัสสนานะบอกมันไม่ใช่ตัวกูของกูช่างมันมันจะเป็นไงช่างมันอืลูกยังไม่ค่อยเข้าใจคาว่าวิปัสสนาค่ะวิปัสสนาคือมองให้เห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราความจริงมันไม่ได้เป็นตัวเราของเราแต่เราไปหลงคิดว่ามันตัวเราของเรารู้เปล่าคือมันจะเป็นจะตายถ้าถ้เรารู้ว่ามันเป็นของเราเราจะไม่เดือดร้อนที่เราไปหลงคิดว่าเป็นตัวเราพอมันจะเป็นจะตายเราก็เดือดร้อนขึ้นมา ต้องมองว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าพุทโธพุทโธไปอย่างเดียวกันก็เป็นสมาธิมันก็ทุกครั้งก็ต้องพุทโธไปเรื่อยๆแต่ถ้ามันมองว่าไม่ใช่ตัวเราของเรามันไม่ต้องพุทโธไม่ต้องอะไรมันจะเฉยๆมันจะเป็นจะตายก็เฉยมันก็ทำยากเหมือนกานนะคะหลวงพ่อนั่นเองมันถึงปิดปะตูบาได้ถ้ามันง่ายมันก็คนก็ ก็ไปไอยากทราบวิธีแผ่เมตตาทางจิตดาวอาเมตตามันก็ต้องมาทางกิดทั้งนั้นมันจะไปทางไหนละ่ะเมตตาคือความคิดคิดปรารถนาดีกับคนอื่นอย่าไปคิดด้ายกับคนอื่นถึงแม้เขาจะแย่งผัวเราไปแล้วก็ต้องคิดดีกับเขาให้อภัยเขาไม่ถือโทษกดเกือนเขาตรงนี้ยากมากครับผม <c oughs> ดีของลูกไปตายแล้ว <c oughs> แผ่เมตตากับที่เวลาเรากวดน้ำคนละเรื่องกันคนละอย่างใช่กวดน้ำนี่กวดบุญไม่ได้กวดไม่ได้ไม่กวด <c oughs> ไม่ไม่ได้ส่งเมตตาส่งบุญไปให้คนตายคนที่รอรับอยู่คนที่เป็นเปรตนี้รับบุญได้ <c oughs> แต่บุญนี่ส่งไปเป็นบุญแบบเงินให้ขอทาน <c oughs> ส่งไปได้แค่นั้นงั้อย่าไปคิดว่าตายแล้วรอให้คนมาส่งบุญให้เรา <c oughs> จะได้แค่ระดับขอทานนั่นเองซึ่งทำบุญตอนนี้จะได้เป็นได้ระดับของหมาเศรษฐีตายไปนี้บุญทุกบาทที่เราทำนี้เป็นของเราหมดตายไปเราก็ได้ไปเป็นเศรษฐีเลยเป็นเทวดาลูกไม่อยากเป็นเศรษฐีของพ่อทํำไมลูกอยากเป็นโซดาบันนะเพะนั่นลูกโสมกว่าเศรษฐีไงลูกไม่อยากเกิดแล้วเพอาะนั่นลูกต้องตัดก็ต้องโปร่งไงต้อง ต้องไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายชีวิตเนี้ยลูกลูกไม่อยากมีรักสองอย่างค่ะหลวงพ่อรักค่ายปาถนากับรักตัวกลัวตายลูกอยากมีรักแค่สองอย่างรักเมตตาลีรักนี้มีแต่ให้เค่นะลูกอยากรักแค่นี้นั่นแหละนั่นแหละเว่าเมตตารักที่ให้นี่เลยก็เมตตารักรัค่ายนี้เป็นกิเลสรักตัวกลัวตายก็เป็นกิเลสถ้าเราคิดแค่นี้ใจของเราก็ ก็เบิกบานใจได้ใช่ไหมคะหลวงพ่อก็ได้แต่มันไม่พอเวลาเวลามันตาลมันคิดได้เปล่าเวลาจะตาลคิดได้ป่ะเวลามันเจ็บคิดได้ปล่าถ้าคิดได้ก็ดีตอนนี้มันคิดได้เพราะมันไม่เจ็บมันไม่ตายนะค่ะใช่เหมือนกันนั่งมวยมันต่อยสักต่อยชคกระสอบทายมันก็เที่ยวมันต่อยเก่งงี้มันต้องขึ้นไปบนเวทีเวทีคู่คู่ชคจริงๆมันถึงจะรู้ว่าต่อยได้เปล่าโชคได้ปล่า ตอนนี้เหมือนทำทำการบ้านอย่างยังไม่ได้เข้าห้องสอบต้องเราเวลาไปเข้าโรงพยาบาลแนละ้วดูถึงเบิกบานไะด้ไม่คิดว่าจะเบิกบานไะด้ใช่ค่ะรู้ว่ต้องลูกคิดว่าต้องเป็นแบบหลวงพ่อพูดแน่ๆเลยถ้ารู้ว่าเป็นมะเร็งก็สางมันนะแค่นั้นนะถ้าท้องไม่ก่อนเลสมามวันตอนนี้เราจะเป็นมะเร็งแล้วนะ แต่ลูกๆกไ็ไม่ไม่ประมาทนะ่ะของพ่าทำบุญกันทุกวันเลยค่ะไม่เคยตระมากันะ ะ, ะถ้าไม่ได้มานี้ก็ไปวใไปทําบุญให้ปฏิบัติอย่าไปอยากเพราะความอยากไม่ได้ทําให้เราได้ผลน ะ, <ฮ>ะอยากเป็นโสดาบันนี้ก็ต้องรงอยู่เรื่อยๆคิดอยู่เรื่อยๆว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรามันจะเป็นจะตายปล่อยมันไปลูกไปถามหลวงปู่ท่านบอกว่ามื่อไงนะจะเป็นโสดาบันที่เกียรจะการ <laughs> แล้วก็เพียรปฏิบัติใหาหลวงพ่อออันนี้ว่าหลวงพ่อคะการที่เราไปทําบุญทุกวันทุกวันเนี่ยค่ะแล้วใจเราอะสิลยังไม่ครบ่าก อ, อย่างเงี้ยยังไงก็ข้ามไม่พ้นมนุษย์ถ้าถ้ายังทําบาปอยู่มันยังต้องไวนบาอยู่นอกจากว่าบุญมันมีมากกว่าบาปมันก็เอาวินิจเวลาไว้ก่อน จะเมื่อเวลาเราตายเนี่ยบุญที่เราทํามันมีกําลังมากกว่าบาปที่เราทําบุญมันจะเด้งเราไปรับผลบุญเกาะพอพบบุญกับบาปมันเท่ากันมันก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่เวลาใดที่เราตายแล้วบาปมันมีกําลังมากกว่ามันก็จะเด้งเราไปเห็ <c oughs> นต้องอาบุญระดับโสดาบันนั่นแหะมันถึงจะดึงเราไว้ไม่ได้่เพราาะวแต่บุญระดับทานนี่ไม่ได้หรอก คุณไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทั้งควรเอาเงินที่ได้จากฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาทําบุญนี้ยบุญนี้ไม่สามารถที่จะดึ ง, ด, งดึงใจของคุณไม่ให้ไปอภัยได้แล้วถ้าลูกมีหลายอาชีพนะคะหลวงพ่อคือหลายชืีพคื อ, อลูกทาขายน้งลมนะแค่กันใช่ไหยคะ<อ>แต่ลูกก็มีอาชีพขายกะปุกด้วยค่ ะ, ะสมมติว่าคุณคุณได้เงินจากขายน้งลมมาร้อยบาทแล้วคุณได้เงินจากขายกะปุกมาสองร้อยเนี่ยถ้าคุณทำสองร้อยเนี่ยสองร้อยนี่มันก็ยังมีกําลังที่จะ ดึงดึงดึงใจงให้ไปไปทางบุญได้อยู่ oh, <okay. S 1> แต่ถ้าคุณไม่มีอาชีพเดียวทำนอหอยยังลมอย่างเดียวคุณได้มาร้อยคุณก็ต้องเอาไปกินไปแบ่งใช้เวามาทำบุญก็ จ, จะไม่ได้ทำร้อยทำยี่สิบอย่างเงี้ยทำยี่สิบยี่สิบกับร้อยที่คุณทำมันไม่เท่ากันเนียทำ mm hmm. บาปร้อยหนึ่งแล้วทำบุญยี่สิบบาปมันมากกว่ามันก็ยังดึงบาปมันแปดสิบเนี่ย <c oughs> ถ้าบวกลบกันแล้ว มันก็จะดึงคุณไปอาบายอยู่ดีแต่วเวลาลูกทําบุญนะลูกไม่เกิในใจว่าวิธีง่ายสุดก็อย่าไปทําหอยนังลมใชยแต่กระปุกอย่างเดียวลูกพยายามแลค่ะมันก็ไม่ได้ไม่ลองไปใช่นี่ก็ยังมะลูก<อ>พยายามแะคนหนึ่งทํามก็ทําได้อ่ะก็ทําอาชีพยอย่างกันได้ทุกคนเนะี่นยมีดานี่มีใครทําหอยนังลมบ้างเราไม่ทาเองอ่ะก็มันเป็นอาชีพตั้งแต่รุ่นพ่อแม่มันง่ายเปลี่ยนอาชีพได้ ถ้ากลัวบาปมากมกลัววายมากมเดี๋ยวมันเปลี่ยนได้เองอก็พยายามอ่าในข้อพ่อว่ยู่กวนพายังอยงูไม่ได้เลยค่ะตรงพ่อเคยบอกว่าให้ยึดเป็นเป้าหมายชีวิตนะคะตั้งเข็ชีวิตว่าชีวิตเนี้ยอย่างน้อยต้องให้ได้สวยแวบางอยงไมดเชื้ เ, เป็นถ้าไม่ทํำไงมันต้องตั้งที่เหตม่ได้เดตั้งใจทําด้วยแต่หมายว่าตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราต้องได้ได้อย่างน้อยสวยบางไม่ต้อไม่ไม่ต้องไปตั้งที่ผลให้ตั้งที่เหตุตั้งที่เหตุแล้วก็เราต้องละ ละละสักกายทิฏฐิให้ได้คือ<ะ>ไม่ต้องไปตั้งเป้าเ อ, อไม่พ้าะว่าชีวิตเราสิ่งห้าต้องสมบูรณ์เกิดสิ่<ล>สมบูรณ์กิเล ส, สต้องตายให้ได้ ถ, ไดถ้ากิเลสไม่ตายสิ่ก็ไม่พออ่าท่านจําอาจา ร, รย์จงค น, น, นได้ไหมได้พอพอบอกว่าเนี่ยเราตั้งแค่เนี่ยเขาบอกว่าเราอสร้างน้อยแตเราต้องตั้งให้ได้เพราะอาลัยนะคะ การตั้งได้มันที่มันจะทำได้หรือเปล่ามันไม่รู้ว่าไม่ได้ไงคะคือก็เหมือนกับเรารู้ตัวว่าเราไม่ได้แต่เราตั้งเอาไว้ว่าตอนเนี้ยเราขอเดินไปเหมนจุดนี้ก่อนคือการตั้งนี่มันก็เป็นเป็นเหมือนกับว่าเป็นตั้งเข็มทิศไว้ให้นะเหมือนคุณสร้างโรงแรมแล้วก็ตั้งให้มันกำไรร้อยล้านนี้มันจะได้หรือไม่ได้มันอีกเรื่องนึ่งเราก็ตั้งที่หนึ่งละก่อนแต่ถามว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่กิเลสนะคะมันถ้าไปทาทธรมันไม่เป็นกิเลส มันจะเป็นกิเลสก็ต่อเมื่อเราตั้งแล้วเราไม่ทําแล้วพอไม่ได้เราก็จะเสียใจมันก็จะเป็นกิเลสขึ้นมาด mm ังั้นอย่าไปตั้งที่ผลให้ตั้งที่เหตุเริ่มต้นที่เหตุไม่ต้องไปสนใจว่าผลคืออะไรเหตุจะมีอยู่สิบประการเนี่ย ส, สังโยชนิสิบข้อเนี่ยให้ละสังโยชนิสิบข้อให้ได้สังโยชนีน้คือกิเลสตัณหาสิบตัวสักกายทิฐินี่การเห็นว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราเนี่ย ต้องละมันให้ได้ละความรังเลีสงสัยว่าพราะพุทธเจ้าพราะธรรมพระสงฆ์มีจริงหรือเปล่าละศีละพระตาปรามาสคือความงมงายกับการการการแก้ปัญหาทางใจเพราะเช่นไปหาหมอดูไปทำบุญสะเดาะเคราะห์อะไรนี้มันไม่ได้แก้ปัญหาทางใจมันต้องเห็นอริยสัจสี่ เห็นว่าปัญหาทางใจเกิดจากความอยากของเราจะละความอยากของเราได้ก็ต้องมีปัญญาให้เห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเนี่ยมันต้องละพวกนี้ให้ได้แล้วผลมันจะตามมาเองเหมือนคนอยากจะกินกล้วยคนไปปลูกกล้วยเดี๋ยวกล้วยมันมาเองอ่ะแต่จริงอยู่มันต้องรู้ว่าการที่เราจะได้เป็นโสดาบันนี่จะต้องทำอะไร เหมือนการที่จะได้ปริญญาตรีนี้จะต้องทําอะไ ร, รก็ต้องเข้ามาหาอะไ ร, รไปเรียนอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะได้ปริญญาปริญญาตรีเองจะตั้งถึงปริญญาเอกก็ได้อาจจะไปถึงไม่ถึงมันก็ก็อยู่ที่ความสามารถของเราอยู่ที่เหตุปัจจั ย, ยต่างๆว่ามันพร้อมหรือไม่ถ้ามันพร้อมก็ไปได้ถ้ามันไม่พร้อมอยากไปไงมันก็ไม่ได้ตั้งไปงานมันก็ไปไม่ได้อยู่ดี แต่จว่าให้ตั้งดีไหมดีตั้งวัเถอะจงสูงอ่ะเขาพูดว่าตั้น้อตั้งน้อยตั้งมากมันไม่สําคัญละมันมันสําคัญอยู่ที่ทํามากทําน้อยมากกว่าถ้าทํามากมันก็ได้มากทําน้อยก็ได้น้อยใช่ไหมกัอย่าไปกังวลเรื่องผลมากจนเกินไปให้กังวลกังวลเรื่องเหตุดีป่ะเพราะผลมันตามจากเหตุเหตุน้อยผลก็น้อยเหตุมากผลก็มาก ยังตั้งที่เหตุดีว่าขอให้ปฏิบัติสินสมาธิปัญญาตลอดชีวิตขอให้ออกบวชตั้งแต่พรุ่งนี้เลยออย่างนั้นอ่ะมันได้แ น, น่ๆนเพราะเกสิเก้าพวกคนที่เขาได้บังผลนิายนี่เป็นนักบวชทั้งนั้นอ่ะมีคารว่าแค่คนสองคนเป็นข้อยกเว้นกรณีพิเศษกรณีทั่วไปก็ต้องบวชเหมือนนักศึกษาที่จบปริญญาตรีทวที่เขาเข้ามาหาวิทยาลัยนัน่ะ เรียนที่บ้านนี้มี几คนที่จะจบได้มีน้อยมีบ้านแต่มันน้อยหลวงพ่อคะถ้าเราไม่มีพ่อแม่ครูบาจารย์แล้วเราปฏิบัติธรรมแล้วนั่งสมาธิเนี่ยผลยังไงก็ไม่เกิดใช่ไหมคะพ่อแม่ครูจารย์เป็นคนเหมือนกับคนนําทางนถ้าเราปฏิบัติเองเนี่ยเราจะหลงทางได้เพราะทางนี้เหมือนกับเนี่ยมาวัดเนี่ยมากี่หนแล้นี่ยยังหลงทางง่ายเ เพาเมื่อก่อนมามีคนนําทางมาเนี่ยอันนี้ต้องมาเองถ้ามีคนนําทางมาก็สบายค่พอดีเจอตํารวจอ่ะก็ให้คนขับรถน้อมมือได้เลยว่าถูกค่ะหลวงพ่อคะการทําบุญนะคะคนที่ไม่ศรัทธาพระศาสนากับคนศรัทธาพระศาสนาของเหมือนเดียวกันของเดียวเดียวกันอ่ะอริสงเหมือนกันไหมคะคือนั่งเหมือนกันอ่ะเนี่มามันอยู่ที่ใจ ว่าจะยินดีที่จะสละสิ่งที่เราให้ไปหรือเปล่าถ้าถูกบังคับให้ทาจะไม่ได้ผลเท่ากับคนที่ตั้งอยากจะทำเองเข้าใจไหมอย่าง อ, อย่างอย่างยมให้เงินลูกเราบอกให้มึงเอาไปทำบุญนียมันไม่ได้บุญหรอกเพราะมันถูกสั่งให้ทำแต่ถ้ามันมีเงินแล้วมันบอกแมก่มกมกผมจะไขอไปทำบุญหน่อยอย่างนั้นะ่ะมันจะได้ ม, มันต้องออกมาจาก ความยินดีของตัวผู้กระทําถ้าไม่ยินดีมันจะไม่ได้ผลดีโดยมากลูกๆ ก, ก็จะเป็นแบบนั้นนะ่ะหลวงพ่ลูกต้องให้เงินเขาเพื่อให้เขามาทําบุญเนี่ยก็อ น, นี้เป็นการซ้อมไว้ก่อนเขายังไม่ต่อไปโตขึ้นเขาอาจจะรู้จักวิธีทําบุญแล้วเขามีเงินเขาอยากจะทําบุญเข า, าจะได้ทำเป็นแล้วการที่เราสั่งเสียลูกว่าลูกพระแม่เป็นอะไรไปนะหรือต้องมาทําบุญวัดนี้นะลูกนะ อ, อะไรเงี้ยต้องมาเลี้ยงลิงเลี้ยงมาเนี่ย <laughs> อนี้เป็นการให้รูปได้บุญไม่ห่าถ้าถ้าเป็นการทำบุญแล้วเขาทำเองก็ได้บุญแต่แม่คนจะสั่งจะสอนก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ต้องออกจากใจของเขาเองเช่นพอแม่ไม่สบายเขาก็ได้นึกถึงคาสอนของแม่คำสั่งของแม่ว่าต้องไปทำบุญเขาก็อยากจะไปทำอย่างนี้นการการไปทำบุญก็มันจะได้ผลมากผลนะ้อยก็อยู่ว่าสาเหตุของการไปทาบุญทาเพื่ออะไร ถ้าทำเพื่ออยากให้แม่หายจากโกาครคภัยไข้เจ็บนี่มันก็จะได้บุญน้อย mm hmm. ถ้าอยากจะทำบุญเพราะอยากจะสละทรัพย์ที่มีอยู่ mm hmm. ให้คนอื่นเถอะ mm hmm. ให้เขามีความสุขอันนี้จะได้บุญมากกว่า mm hmm. มันเห็นไม่เหมือนกันอันนั้นเหมือนกับไปซื้อของเขยไหม mm hmm. ไปซื้อตั๋วเพื่อจะมารักษาโาครคภัยไข้เจ็บของแม่ให้หายเนี่ย mm hmm. มันมันมีความโลภอยู่ mm hmm. การทำบุญต้องไม่มีความโลภต้องไม่อยากได้อะไรเป็นสิ่งตอบแทน แต่จะได้บุญเยอะถ้าทำแล้วอยากให้แม่หายจากโรคภัยไข้เจ็บนี้มันมีความโลภอยู่แล้วทําไม่หายมันก็บางทีมันก็จะไม่อยากทําแล้วทำแล้วไม่ได้ต่อไปก็ไม่ทําแต่ถ้ามันทําเพื่อความสุขใจเนี่ยมันจะได้พรเวลาทําแล้วให้คนอื่นก็ได้รับประโยชน์จากของที่เราให้เขาเนี่ยเราเห็นก็มีความสุขเราก็จะมีความสุขถ้าทําแบบเนี้ยเป็นบุญจริง คือลูกก็ไม่ค่อยอยากจะบังคับลูกเพราะว่าตัวของลูกเองก็เข้าวัดพศ51เริ่มมีความศรัทธาพศ51นะคะ่ะแต่ตอนนั้นอายุเท่าลูกลูกก็ยังไม่ค่อยศรัทธาอะไรยเงี้ยค่ะลูกก็เลยไม่อยากจะบังคับเขามากค่ะก็ไม่ต้องบังคับหลักสอนเขาสอนเขาให้เขารู้ว่าการทําบนนี้ทําอย่างไรแล้วมีประโยชน์อย่างไรส่วนเขาจะทำหรือไม่ทําก็เป็นเรื่องของเขา หมดแนละ้วใช่ไหมค่ะคราอ น, นี้าถามไม่ไม่ได้เกี่ยวกับการปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งที่เคยเจออย่างเช่นพอไปไปไหนมักจะมีว่าสง ม, มาขอแต่คิดว่าน่าจะเป็นพระเจอบ่อยมากมาขอปัจจับยบอกโยมขอปัจจัยอย่างเช่นไปสนามเบนินเดินเล่นก็ไม่รู้มารูปเดียวนี่แหละค่ะขอปัจจัยจะขึ้นครื่งบินอย่างเนี้ยคือมีความรู้สึกว่าไม่ไม่น่าใช่แล้วแล้วก็ เจอบ่อยมากาค่ะข่าวที่แล้วเมื่อสิ่งที่ขัดต่อคําสอนของพระเจ้าแล้วล่ะเพอพระพเจ้าบอกว่าห้ามขอจากผู้ที่ไม่เป็นญาติหรือผู้ไม่ใช่ผู้ให้ผู้ปรารนาตนนั้นการมาขอนี่ก็ถือว่าผิดผิดศีลละผิดศีลของพระละผิดคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เฉยเสียก็เดินหนีไปที่พอดีข่าวทีบ่บางครั้งเดินหนีได้แต่บางครั้งเนี่ย อยู่ในสถานะที่ไม่สามารถเดินหนงเช่นคราวที่ล่าไปถวายจตหิมหลวงพ่อเปลี่ยนก็มีคนอยู่เยอะแยะอก็มพระลูกหนึ่งเดินเข้ามาโยมจะขอปัจจัยจะนั่งรถอย่างเงี้ยโยมก็บอกหลวงพ่อเป็นพระปลอมหรือเปล่าถามเั็นไงไม่กล้าแต่บอกก็ว่าเอ๊ยพระพุทน่าจะผิดวิญญาณสงฆ์นะท่านท่านบอกว่าอ้าวโยมไม่รู้เหรือพิกษุน์ไปว่าผู้ขอ แต่มามาขอท่านอยู่เนี่ยใช่ต้อขอจะผิดหรือเปล่าต้องขอจากผู้ที่ปภาวนาตัวเขาก็แต่มาแบบโต้ตอบรู้แล้วค่ะเป็นอะแบบือโต้เถี่ยบเยอะแยะเหมือนก็ก็ไม่ต้องพูดอะไรเฉยๆไปวิ่งไปใช่เฉยๆไปก็อย่าไปให้สักอย่างก็หมดเลยต้องบอกบอกบอกบอกว่าคือตอนแบอกเข้าไปคอไปคุยกับภาพนั้นก็ไม่มันไม่ดีแหละเราเป็นคารว่า ยังไงก็เฉยไว้ลวดีที่สุดไม่พูดไม่ตอบซะอย่างท่านจะพูดอะไรก็เรื่องของท่านเดี๋ยวท่านก็เขินไปเองเพราะว่าเขาที่แล้วรู้สึกรอบที่อยู่ที่วัดอลวงพ่อเปลียนจะมีการทอดต่อนะวเอ๊ะผิวินัยสงฆ์หรือเปล่าถ้าเราไปทอดต่อนี้ในสายตาของคนอื่นก็อาจจะไม่ดีก็ได้เฉยๆแล้วดีที่สุดนะแต่ก็ปฏิเสธมาอย่างนี้รู้สึกว่า ไม่อย่าไปให้ถ้าพระที่เราไม่รู้จักมาจากไหนไม่รู้เรามาขอนี่ยแม้แต่รู้จักถ้าเราไม่ได้ปร avana ตัวก็ท่านก็ไม่ขอหรอกถ้าเป็นถ้าเป็นพระจริงจริงปร avana ตัวหมายความว่าไงคะเสนอตัวไงว่าถ้าท่านต้องการอะไรจากข้าพระเจ้าขอเรียกขอจากข้าพระเจ้าได้อต้องบอกก่อนถ้าไม่บอกอย่างโยมไม่เคยบอกเราแล้วก็ขอไม่ได้ถึงไม้โยมบอกถึงไม่โยมบอกบางพระบางองค์ท่านก็ไม่ขออยู่ดีพ่า ไม่มีความจําเป็นจะต้องขอแล้วถ้าเราบอกกับหลวงพ่อว่าหลวงพ่อคะมีอะไรให้ให้ลูกรับใช้ไหมค้ย่าเงี้ยถือว่าไม่ต้องถามว่ารับใช้หรือเป่าถหลวงพ่อมีลายสั่งหนูได้อย่างนี้ไมต้องเสนอตัวว่าจะยินดีรับใช้จะจะเสนอตัวแบบไหนก็ได้แต่หลวงพ่อขาจีวรจ้าจะถวายจีวรอย่างเดียวก็บอกเรื่องจีวรอย่างเดียวแล้วบางทีก็มีเวลาด้วย เช่นภายในปีนี้ท่าหนหลวงพ่ออขาดจีวานหลวงพ่อบอกหนูได้ถ้าท่าหนหลวงพ่อมาขอนอกหลังจากปีนี้แล้วก็หมดหมดสัญญาแล้วขอไม่ได้แล้วหรือถ้าไปขออย่างอื่นแทนจีวานก็ขอไม่ได้เหมือนกันอยู่ที่ผู้ภาวนาตัวว่าอยากจะถวายอะไรหลวงพ่อคะสมมุติว่าลูกนิมนต์สมมุตินะคะลูกนิมนต์หลวงพ่อแต่ยังไงหลวงพ่อก็ยังไม่ไปค่ะแต่ถ้าลูกจะขอขอพรหลวงพ่อเนี้ย ลูกเหมาะสมไหมคะว่าลูกจะขอพรสักสี่อย่างเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องไอ้นี่นะคะคือลูกจะขอว่าให้หลวงพ่อมีชีวิตอยู่<ม>ให้ลูกมีชีวิตอยู่ให้ลูกปัจจัยเหมือนเดิมและอีกอย่างหนึ่งให้ลูกมีความศรัทธาเหมือนเดิมเนี่ยค่ะ<ม>ลูกเคยฟังเรื่องพร<ม>ะพุทธเจ้าอ่ะและพระพุทธเจ้าท่านตอบว่าสามอย่างอะ่ะท่านให้แต่ความศรัทธาเนนะี่ยขึ้นอยู่กับเราไม่ใช่ที่ไหน<ม>ที่ท่านเนี้ยคะ่ะน<ม>ี่อย่างนี้ลูกสามารถขอได้ไหมคะ ก็แค่ขออะไรก็ขอได้ทั้งนัง้นอ่ะที่จะจะได้หรือไม่ได้ <c oughs> คือลูกอ่านเรื่องราวแล้วลูกก็มีความรู้สึกว่าใช่ขอให้มีชีวิตอยู่มันนี้มันอยู่แต่ไรุ่งน้มันจะอยู่หรือเปล่าใช่ไหมใครมันมันขอแบบมันอย่าไปขอของพวกนี้เลยขอให้หนูทําความดีดีกว่า<ช>ขอให้หนูจาบได้ที่มีชีวิตอยู่นี้ขอให้ทําบุญไปเรื่อย ขอนูเลิอกอาชีพผ่อยังลมได้ที่สุดขออย่างที่มันทําได้ดีป่ะแล้วเป็นประโยชน์กับหนูมากเนะี่ยถ้าหนูเลิกทาอาชีพขอยังลมได้ดูนี่ลูกขอหลวงพ่อขอลูกมาตั้งหลายเดือนแล้วเรองทำไม่ได้เลยตั้งแต่วันพระตอนนี้วันพระก็ต้องทำ <laughs> เราไปขอเรื่องอื่นทํำไหม หงพ่อมีอะไรให้ลูกกับใช้ผลไปที่ปกติหรือเปล่าคะไม่มีละนี่ของเท่านี้เดียวเก็บไว้ที่นี่หมดหมดเวลาพอดีนะ่ด้ได้จะถวายได้ห้องของซีดีเพื่อนอ่ะเลยเนี่ยหนังสือซีดีแจกทุกคนใครต้องาการขอขอให้ไปอ่านไปฟดงวย่าไปอย่าไปแจกคนอื่น อ่ะเข้ า, า, ากขาขยับถยความทอ้อแท้เบื่อหน่ายเกิดจากความอยากเนียอยากไปอยากนจะจ๊ะโทรไปปฏิบัติไปมากบ้างน้อยบ้างใเดือยมากกบ็บัติน้อยหน่อยก็ได้งจากทางสายกลางบางเวลากำลังมากก็ปฏิบัติได้มากบางเวลากำลังน้อยก็ปฏิบัติ บ้างก็ได้ผ่อนบ้างก็ได้เอาไปนั่งร้่นเลยเอาแค่ต้งน้อเอง่อย่าหยุดเท่านั้นละอย่าถอยนอย่าเลิกเท่านั้นเองจิตมันขึ้นๆลงๆมันเหมือนเดินทางีซั่นขาวมันก็ยากเวลาลงมันง่ายยด้วยกันมกันครับพดีรเนี่ยรู้จากชานครับ ตอนนี้เ่าเขาอยร่เนี่ยรู้ป่ผมยังแต่ว่าไม่น่าติดครับเขาเพิ่งสร้งประติเฉดใหม่ประติขันนั้นด้ว่เดี๋ยวนี้เขาสร้างเฉแล้วมาอยู่บายได้เนะเดี๋ยวมีโอกาสขอขอพระชายมาเป็นครับขึ้นบนนั่งกันได้ท้าวบ้างเขามา ถ้ามีที่ว่างก็อยู่ได้แตคนเดียวนะวต้องแยกกันมามมไม่ไม่อยากให้มารวมกันเพราะที่มันน้อยอแล้วมารวมกันมันจะจับกลุ่มกัน <laughs> ต้องแยกกันมาเป็นที่เปเรีย้ยวแย่นะลองรวมกันเป็นแนดู อินททออาจารย์เสบะเลยลมใจแอลลมเจอิสเอกาคาชาลงเจ็ดอิอกาลมเจ็ดรวมเจ็ดรวมเจ็รวมออกกับอาจารย์จรวมคป็ารวมรจิดอย่างออกจิตรวมยาย c o m p l, e huh? l, l, l, l is, oh, a s <S mm. mm. bon l the d y d i s, mm. <S, mm. <S a okay. mm. oh, e mm. r Sometimes the body still a p p e a r but the mind is not concerned with the body. ดดวงนบได้กี่ปีแล้วเนี่ยสองปีครับผมเพียงรบบทได้กี่กีคนใช้นีได้สครับ เวลาสร็จไปนี่รู้สมันเดียมกัตามที่ปวนะเลีกาอะเลยครวกว่นายว่เยอะคบเวลาปวดร้สว่าวันแต่ละวันผ่านไปช้าเลืกนกอยนะแต่มันก็ได้ได้ควาสนบใจอีกแบบนะครับก็ปรับสคนละยาดีับมันก็หนีคนละย่างเรือยๆอสุดกันเกิดความสงกมากกว่าที่รักครับมันนบรรยากาศเมื่อวย่นนะ มองัน่ือนก่อนพี่ชายยังไม่เต ดูเหมือนแม่ชีเขาแม่ชีเขาผมบอกว่าตอนนี้เขาเริ่มรู้สึกชินจนไม่รู้สึกว่าความอยากเป็นศัตรูเพราะเขาเริ่มชินกับทุกสิ่งทุกอย่างเขาอยากดูว่าอาจารย์เคยเป็นแบบเขาไหมช่วงบทแรกๆอาจารย์ทำยังไงหาวิธีสร้างความมีให้มันเกิดความอยากได้นมาลองอดท้าวด้วยดิอดข้าวมากกว่าที่เขาเคยอดออดสักสาวันห้าวันอะไรเงี้ยให้โมโหเหมือนเขา เกิดจิตใจมันก็เพื่อบีบคั้นให้มันชร้างสถานการณ์้ามันชิงชาก็ต้องสร้างสถานการณ์ใหม่เพิ่นั่งนานๆบ้างก็ได้ถ้ามันชินก็ลองนั่งแบบไม่ลุกนั่งขัดสมาธินั่งแบบขัดสมาธิหรืออย่างทดลองอดนอนดูบ้างก็ได้ในสัตว์ชิกดูบ้างก็ได้หรือจะกินเมัน เออสาุุขอให้สมหวังนะอยากจะได้เลยสมหวังขอให้ได้เลือกขายอะไรักลมต้องายองจะได้ไม่เราไปอภัยนะอยากจะปิดอบายไม่ใช่เหรอถ้าโสดามันไม่ไม่ทำอาชีพนี้แน่นอนนะ ขอให้ทุกคนมีความสุขความสมหวังนี่ที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สงครามแตกระดับในสิ่งนั้นแต่ว่าแม่ชีก็ไปหาที่น่ากลัวอยู่บ้างก็ได้ต้องไทวันต้องหาวิธีกระตุ้นกิเลสให้มันหอกมาด้วยคอยจันอย่างตอนที่นั่งหชั่วโมงก็ตป่พระจันร สองก็กลับไปทําต่อนเรื่องไงนะคะแต่ความเมื่อวานนี้มันมีเรื่องราวขึ้นมาให้จิตมันยุ่งวายอะค่ะแล้วพอแล้วมันได้เวลาที่เราจัดตารางตัวเองว่าเราเดินแล้วเราจะต้องไปนั่งอะไรเนี้ยจิตมันแบบรู้เลยคะอย่างพี่วิบมันดิ้นมากแล้วบริกรรมเราก็ไม่เอาไม่อยู่ก็เลยพิจารณาความตายหรืออะไรไปเนี้ยให้มันแบบเพื่อไม่ให้มีคิดเรื่องนี้ แล้วก็กลับมาบริการต่อเออแต่ก็บังคับตัวเองว่าไม่ลุกเพรว่าเมื่อวันฝนตกด้วยเราก็ไม่ได้ปิดหน้าต่างเลยก็ดีแหละต้องสู้กับมันแล้วถ้าเราสู้กับมันบ่อยๆถ้ามันจะกำลังมันจะอ่อนแล้วมันจะไม่ค่อยมารบกวนเราแต่ว่ามันก็คือยังไม่สงบแต่มันไม่ฟุ้งเออแต่แต่มันก็บางทีก็เหมือนจะสับงบนึกไปแล้วนะเราเราล้อมข้อมันไว้ไม่ให้มันระเบิดระเติดออม เดี๋ยวมันอยากจะไปนู่นแหละไปยิงเทพไปจับมันให้มันนั่งอยู่เฉยๆพอมันถูกจับนี้แล้วถ้าเราปล่อยให้มันออกไปเดินหน่อยมันก็จะรู้สึกโล่งกโล่งใจขึ้นเยอะแลแต่ถ้าเราปล่อยมันแบบให้มันอยากจะทําในในในวัดได้เดี๋ยวมันก็เบื่อละมันก็อยากจะไปทําอะไรข้างนอกต่อเราก็ต้องค่ายๆกันจับมันเข้ามากาจัดจํากัดบริเวณไว้อยาให้มันไปกว้าง แล้วทีนี้อย่างเราลองนั่ง6กชั่วโมงเนี่ยจะทําไปถึงทําไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำได้ก็ทำไปเรื่อยๆแล้วยิ่ถ้าทาแล้วนั่งสมาธิได้ด้วยยิ่ดีให้จิตมันสงบได้ด้วยก็ยิ่ดีแล้วเดี๋ยวมันก็จะตอต่อไปมันก็จิตมันก็จะจะเชื่องมากขึ้นมันจะไม่ดื้อมากกำลังที่จะต่อต้านเรามันจะน้อย แต่เห็นฤทธิ์มันเลยคะว่าวันเพราะว่าวันแรกๆมันได้พลังจากพระจ่ายนะฮะมันกคําสอนมาแต่ฉันต้องไปทำพระจ่ายบอกว่ามันต้องพัฒนามันก็มีกันมาแต่พอเมื่อวานเนี่โอ้โหปุ๊บปุ๊ๆปุ๊บุ๊สู้กับมันถ้ามันถ้ามันตอนที่มันกวดเผมาแล้วถ้ามันหยุดไปนี่มันจะโล่งเลยมันจะถ้ามันสงบถ้ามันมันจะสู้กับเราแล้วเราไม่ยอมมันเนี่ยพอมันยอมแพ้เรานี่มันจะมันจะโล่งเลยมันจะจิตมันมันก็จะสงบจะรวมไปอย่างนั้นแหะ ยังดีว่ามันมีหลักว่ามันไม่หกชั่วโมงฉันไม่ลุกเอก็คือแต่ว่าพิมพแล้วมันก็หนีเราเหมือนกันนะคะด้วยกันว่าธรรมดาเราสมชั่วโมงมันจะค่อยเข้าห้องน้อมันก็เลยแบบหวขึ้นสองชั่วโมงเหมือนก็หมัอนก็เหมือนก็ชั่วเราไปเหมือนกันก็ไม่เป็นไรถ้าเขานั่นก็ยอมมันว่าเราไม่ต้องการทรมานร่างกายตอนนี้เราต้องการทรมานใจอย่างเดียวแต่เห็นลิกเลย ก็ต้องช่วยของมันไปได้แรกเดี๋ยวต่อไปนั้นก็หมดแรงอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือว่าอย่างเราหกชั่วโมงเราได้แล้วเราจะไปพัฒนาไปเจ็ดแปชั่วโมงก็ได้ก็ ล, ลองดอูลองดูไปมันต้งคืนนะต้องคืนนั่เดี๋ยวหลับ <c oughs> ลองดูด้มันจะได้ทั้งนานท <c oughs> ั้งท่าวหลัมันมันคงไปไหนหรือ<ม>ขหลับเคยก็ลองนั่งขัดสมาธิดูบ้างก็ได้ได้กี่ชั่วโมง จริงๆแล้วตอนที่นั่งจะบายเนี่ยค่ะนั่งขัดสมาธิอ่ะดีกว่าชันปล่อยขาเมันไม่ทรมานมันมันจะนั่งกว่าเพียงแต่เมื่อผอเมื่อนแล้วเราก็ยืดขาหน่อยได้ต่อไปก็ลองไม่ยืดขาดูลองให้มันหายเมื่อเมื่อได้มันหายเออยู่ในสระอยู่ในท่ากัดสมาธิมันหายได้ถ้าจิตสงบแล้วมันจะหายรอวันนั้นค่ะ พ, พัอะอาจารย์บอกไม่ให้คาดผ ล, ผลก็ไม่หวังเนเ <laughs> พราะว่ามันไร้ความหวังแต่ก็ต้องทำเพราะว่าให้ ม, มีให้มีสติอย่างเดียวสติกับปัญญาสองตัวเนี่ยผลต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นไปพรอาจารย์คะสมว่าเร า, เร า, เ, ราเรานั่งสองชั่วโมงแล้วนคะคะอาจารย์มันจะปวดประมาณชั่วโมงครึ่งขึ้นมาเนี่ยถ้าสมมติว่ามันปวดแล้วเนี่ยก็บริกรรมบริกรรมพอ พอมันหาตัวดพอมันอยู่ด้วยกันได้นะคะก็ดูลมหายใจไปแล้วทีนี้มันก็จะเป็นสักสองสา่อนจะถึงสองชั่วโมงนะคะอาจารย์ทีนี้ถ้าสมมติว่าพอถึง2ชั่วโมงแล้วทีนี้วันนั้นที่อาจารย์บอกว่าถ้ามันอยู่ต่อได้ก็จะอยู่ต่อแต่ว่าเดี๋ยวควรู้สึกว่ามันก็ต่อได้ไม่เกิน น, นี้1ิบีแต่ว่าเราจะคิดว่าทำามกติกาแล้วเกณฑ์แล้วอะไรปมาณนีแล้วพอดีระหาว่างวันนี้มันก็จะถึงทีนนะะอ่อะไรก็เพิ่มเวลานะคมันยาวขึ้น ต่อไปว่าครับมันก็จะเป็นรอบๆเป็นอย่างนี้แล้วครับอาจารย์คือคือปวดแล้วก็บริยากาศแล้วก็สงบแล้วก็ปวดนะแต่ว่าตอนที่หนูสังเต่อไปก็ต้องใช้ปัญญาเลยถาเวลาปวดแล้วถามว่าอะไรเป็นปัญหากันเนี่ยความปวดของร่างกายหรือความอยากของใจที่อยากจะหายปวดต้องเข้าไปวิปัสสนาแล้วจะไปแก่ไม่ได้ไปแก้ที่ความปวดแต่ไปแก้ที่ความอยากเพราะความอยากเป็นตัวปัญหา ที่ทําให้มันทรมานใจความปวดไม่ได้ไปทำให้ทรมานใจแต่ความอยากนี่ทําให้มันทรมานใจคือความทุกข์ใจถ้าแก้ตัวนี้ได้แล้วสบายจะไม่กลัวความเจ็บความปวดอีกต่อไปเพระไม่ไม่กลัวแล้วก็ไม่ต้องนั่งทรมานแล้วรอให้มันมาปวดแล้วเราไปสู้กับมันก็ได้ใช่แล้ก็รอแต่ตอนนี้เรามันยังแก้มันไม่ได้เราก็เลยต้องต้องต้องสู้มันไป ต้องสร้างความปวดขึ้นมาเรื่อยๆก่อนแต่ถ้าเรารู้ว่าเราแก้ปัญหาเรื่องของความกลัวความปวดได้แล้วต่อไปเราก็ไม่ต้องไปทรมารร่างกายมันเสยเวลเราให้มันเจ็บเองเวลามันปวดท้องปวดอะไรขึ้นมาเองแล้วเราก็ดูว่าใจของเราอยากหรือปเปล่าถ้าใจายเราไม่อยากเราใจเราก็จะไม่สะเทือนใจถ้าเราช่วงที่สงบเนี่ยมันจะมันจะไม่รู้สึกตัวมันจะหายไปไหนเราไม่รู้มันจะ จังหวะกันได้ไหแบบหลับหออะไรยังมันเฉเฉยก็ใช่ได้รู้สึกจังมันเฉยเฉยสักแต่ว่ารู้ไม่ต่อต้านไม่อะไรมันจะอยู่ด้วยกันก็คือสมบอยู่จะรู้ปวดอยู่แต่เราอยู่ด้วยกันได้ได้มันไม่รังเกียจมันไม่มีความอยากให้มันหายอะไรแต่จะรู้ตัวทีนึงก็คือปวดมากๆมาอีกทีก็เริ่มบริกรรมเอาใหม่ซื้ใหม่รอบหนึงที่จถ้าตอนที่นั่งสองชั่วโมงนไม่ไรนะคะช่วงที่นั่งไปเนี่ย ตนที่ขณะที่เจอความปวดอยู่อะค่ะมันจะมีคล้ายๆเหมือนอยากอาหารอะไรเนี่ค่ะแทรกเข้ามาอืมันแทรกเข้ามาได้ใช่ไหยคะได้อะอยากอะไรต่างๆก็มาได้หมดอยากอะไรแต่กินข้าวอยากอาหารอะไรก็อย่าไปสนใจมันถ้ามันเป็นปัญหามากก็ต้องใช้ปัญญาแก้ไปก็เป็นก็เป็นอาหารปฏิกูลปฏิกูลได้เลยใช่ไหมถ้ามีความอยากอะไรมาก็ต้องใช้ใช้ยาแก้ให้มันถูกช่ไหอยากอาหารงาอาหารปฏิกูล เอยากคิดถึงแฟนก็คิดถึงอสุภะอะไรองนี้ค่ะอาจารย์เพรเรื่องเรื่องอสุภะนะคะอาจารย์พอดีหนูนตั้งเป็นโครงกระดูกนะคะอาจารย์แต่เสร็จแลาทีนี้มันจะมีปัญหาตอนที่หนูไม่ได้ตั้งระหว่างวันหนูก็เลยมาตั้งระหว่างวันแลเสร็จแลาทีนี้เวลาหนูเดินจงคลมนะคะมันก็เหมือนกับว่าคงกระดูกมันเดินตามหลังไม่เดินข้างๆ้ามันก็จะอดไปดูมันไม่ได้อย่างนี้แหะคะ่ะมันไม่ได้อยู่ข้างหน้าข้างข้างมันอยู่ที่ใจเรากำหนดอยู่ให้มันอยู่ให้ดูอยู่ในใจเราก็พอ มันเหมือนกับเออปกระดูกอะไรอย่างนี้นะคะมันเป็นระแวงอะไรอย่างเ้ย่ไม้อสนใจมันแล้วเสร็จแล้วพอตาหลังมามันก็ไม่อยู่กระดูกมันก็ไม่อยู่เรก็เลยเขาเป็นศพที่แบบซึนนี้นะคะมาดูตอนไหม่ๆหนูก็กลัวเหมือนกันนะทน่ากลัวมากแล้วแต่แล้วแต่ว่าหนูก็ต้องขี่มันมาดูทีนี้เอามาดูแลเสร็จแล้วทีนี้หนูก็ดูศพบ้างเวลามีกรรมแล้วค่ะมาทีนี้มันก็จะมีปัญหาคือว่าบางทีเวลาเราดูศพแล้วเนี่ยศพมันเหมือนมันไม่ได้เป็นศพนะคะมันเป็นคนณคุณนะคะ ต้องต้องกลับไปดูใหม่ลวมันถึงเป็นศพนะคะมันดไงก็ดูเป็นก็องดูเป็นศพใ่ไต้องดูให้มันเป็นศพให้ได้ใช่ไไปลงทีเราดูเราเราคิดถึงเพื่อแบบอาเหมือนกับเป็นคนอยางงี้นะคะไม่ได้พองไม่ได้ตัวบวมเขียวอะไรเราก็ต้องทำให้มันพองพองใหม่ค่ะเพราะว่าภาพภาพภาพที่เอามาดูนั้นเป็นภาพที่ตัวพองเขียวอลไนะคะาต้องการดูมันความไม่สวยงามตเรา้องต้องถ้าทางามันเวฟข้มาก็ต้องดูให้มันเป็นศพเนั้นให้ได้มันจะได้ดาบกามอารมณ์ได้ ถ้ามองว่ามันสวยมันก็แจมดับไม่ได้